ยมเคยฟังมาหลายแลีวนิท่านยอดอิงธรรมะมีไหลบทไหลตอนตเตะใดที่ศาสนาสีมีเรืืองดีเหลืองไล่ขยายผากมาจนหมดมีหลดเด็ดเผ็ดมันโศ ก, ก ส, สันกไลดลนสาธุชนอยู่ในนี่ดีบอดีคงศึกค่อยผอพานยมมาไหลายต่างบานสำลัะ ล, ลวนแต่เหลืองดีมูโลกหลานถือโอกาสในเถื่อนีเจอกันใหม่หรือไหลที่น้ำคตินี่ทานทำยอดดีย่ขยายเบา ย่อพบฟังยาสภาพกันเบาฟังสำเนาสิเปิดปองสอเสียงทับขณะนีคุยโมอวดบอปีนเห็นน้องพีบอระเบีนก็ให้ไทยทำกันเด้อพอด้อเดือเมื้อเดือบัานใดดีกะดีไปมือบอกไขกะเต็มเย่ขณะใดดีขอย่อมเพยบอถือตัวท่าอวดเชงในมือนีสีขอน้านีท่านเบียเผาผีล่าฆ่าแพ่งมาแสดงให้ผีนองศรัทธาเจ้าได้รับฟัง บัดน er. ี้หันไปฟังบันบันเพื่นอาจารย์จะเลื่นใช้กรสิเดกาวจับเรื่องเล่าในนีท่านต่อสอนคุยโทถารับฟังขอเนี่มนขนอยบัดนันสหธรรมู ดากันดูกาตบนาปูกโคเขารบนบโนมข้าด่าว่าในพระธรรมก่อเสียน้ามาแสดงเจเจีงในวันเนี่ จังวะอันชลีบายบันทาาเพียวาตกอนประกาศของกราบกมพระนุมนิ้วนัมสการ์ข้าจกได้บุญบอตาัน เพื่อเพื่อให้แพงนาคามาสอนชินนาบอนนประสัมมาซาสาดาวงลำนำเอาทม อ, อ, อ, อ, อ, อ, อ, อ, องเกนเงามาบอกราวปินนาคามก่อนดด ระยุกธรรมเปลี่ยนคำโบราเล่ียัมฮะเลียงเป็นเสียงหลอง จังว่าสาตัวสาตัวสาตัวเออปาปักก่มยาหนำตัวงเวียนปุ้ยพายให้หาหาฉันเออโบได้ประมาทมั่งในธรรมเจ้าเตี้ยย่างได้น้ จังว่นในเมื่อนี้อาตามกากสิได้ทำหน้าที่ของกินส่งประกาศทำเพื่อดํารวงศาสานาบัวเช่าใบให้เกลี้ยงกราไอเกลือกึอง่งก้องใส่ห้อง ยืนหัดอยู่ทำคำสอนสะพันยู่นให้เฟืองฟูน้อยอย่างสาธิยันมาน โยกเสียมมานั่นแหละนางยิ้ม อือเอี้ยวตอนนี้เสียจากกันกล้ากลุ้มอามหม้อบันทอนนังฉันเสียขอนำมาพา พร้อมชาชวนอ้วนเอือนผ้าดุ้งเดินไปดูด้านนีท่านดีเชี่มโบเจาปประกาศราคาเพงสอกรรก ส, กสมคิดหน่อยเป็นคนต้อยเตื่มไปย่างา วาเลวเผือดเผิดอ่างประตูโปวงโคังขนานหันมาดวดในนิทานเรื่องแสดงในบันเนียนเบียเผาเพียนิทานเข้าเชิญฟังเอาไงตันหลอดจอนบางหอดจนบาเหียนจนจบเพียนจังคอยนีนะ จะเรือนนาชัยในมือเนียนรับดาเทียนด้วชาเอกศิษยขอยกจีบโยกสาธุทวนกระบวนเข้านับเตะสองเขื่อเท่ามรดาตายหนีจากปากม้วนมาถิมเอาใบยนยุกให้ได้แบงปา สุวรรณนำบักไคนีนันนเป็นดาวคอนใหญ่หลวช้โคกมอระดูที่ตกมาาเพื่อนให้ทุ่งตีนบ้าน อีบัวบาอันได้เท่วกลางทีชัวคางของผู้ขาเด่นกกยังโจดหางลีส่วนอีลานางแพงสีเฮใค่มันได้ต้องไหวทีส่วนกวยคางหอมนางขอบมันเปลนลูกผู้่ลัง เมียงบอกว่าให้มาอันหลังยีาธามดาลูกสาวไปต้องได้ไรกว่าสุมเพียนเบี้ยเผาผีก็เอาให้พร้อมเหมือนสานบ้านบนอยู่กับลำปากับคนเลี้ยงอีเมียผู้แก่ทาวจนนกระถางหอด เื <test> ่อตายดังสนทรภัยนั่นไดเอ๋งออกเงินไปเล บานเกล้าใบหญ้าอันน้ำพอดเทาไหลปีหลวงเต่าผ่านมาเมื่อนีคิดพอดนางมันดาเมียผู้ตายป่าดหนหอ คิดเห็นข้าอ้ําของมังดังนําเพื่อนสาวฟังร้องเอาไว้ ข้าอัมสังเสียมันดาไทายยำให้ปูห่ของเบิง น, งน้องนวลนวอยดูเละเละบบำมาฮรุวงเพียนฟุ้งฟกรักใคร่ตีข้าป่อยดากัน พอสวมงคุรนแล้วนั้นผ้านตองเบียงผาลาเแจกเข้าหานเดือดหำเมสังคำรูจําเมียนจังบัดในตอนนี้สิทษเทนปราคุณสาง เพียวทางทางให้ก้าวตะเียมไปสุดเดนสะขาไอย่างเส้นสุดสเยจืดจ้บบอกเรื่องลาบอกวามเงา เอีบังกอนบอนลู่เต่าสิโตเตีงแปงพลาเพื่อโทษเทียงขุณมันดาอีเมตตุนในตอนเหนียง โสกาวีบทันจีจะรินใช้บทันหนิงยาฝ้าวปากยาฝ่าวเตียงยาฝ่าวหดวเตือนยาฝ้าวทวงบ่อยอส้วงยาสอทองนำ เตรียมมาตัวตีต้อยของจังสามวงสิปุ่งเสียงเอบังก่อนโจมสำเนียงใบแต่พอเพียงเียนเบี้ยเผาผีบ่ทันของงอนยาฟ้าเอาจอดยาฟ้าหดดูอันตอนี hẹn l xuống cuốn, thì hẹn là nuông vậy con, xá tha chào n chung khối vãng nan l n Ngâm n nguyễn n g u y ễ คุณโยมเ อ, อ๋ยกะตันยูกะตะเวติตานีเพิ่นบอกว่าเป็นม่งค้นขั้นสิรอเป็นนา่นโดนยันแต่มั่นมาขวางกันยันบัดทันได้ใส่หนี่คุณนู่นของพ่อเมษซ้าพังโอกาสไทยสบห้านองแต่งบุญเบิ่งกอนาะเมือ่อเศาร์นี้บอกบักตนลูกชัยลาไปส่งข่าวบอกอามั่นนัดให้ไปประชุมกันยุบานอาแพงสีนองบัด น, นี้ขอเชิญโยมผุ้เลจ้องยาหันมองแค่ทังผาน หันไปฟังเปุนอาจารย์สังบ้านเปุนสิไข่ป่างตันจ๋าเ้าว่าจังไดอ้าวนิมนต์เจ้าเบิ่งกันดูขนาดนัยบัดนี้น้าอาหมัดทั่วสุกขามตาอัตตาอันนอม ลลาองจอมทำผู้ล <I> uh, so ืมหลนมหนอบข้ามเป็นกาววโอ้ยแนวเอื่นวาปะทำลาอีกผสมผู้เลดลำน้นออาลียาข่างขอยวมือ คาราวาท์พัตยทั้งามเกละมือนีโมงคนเลีวมาใจโวกเมียนมวนมิดหมายบาทบุงใน้มาเข่ารอกความนั้นจังวัดเจ้าภาพทานได้สังก้อ ก้กองบุญละสลับทวนปัดัยจังเนียนใจหักกามีสัทธานักเนียนละบ่้อนแคนดอกไหใบบัน เปลนหน้าจ well, ัจจังว่าพเปลนดองได้มาพร้อมหลับพมจังว่าซาทูเดอขอให้ดีน้วงเดือดดวนลให้เป็นอนส่วนวาทงกุศล เกิดเป็นผลมหาศาลพอกพูนนวชุนคำสาธุเดือดบุญที่ทั้ในวันนี้แรงบาตรมีก็ให้เพียงสาธุเดือดขอ นถึงเอ่คุณพ่อคุณเม่ผู้ผลินตายจากแล้วให้พ่อได้ส่วนกุศลเดือพ่อเอือเดือแม่เดือ ขันหาหักยางบ่ผลจากทุกข์ประมานข้อให้บุญบันดาลการสเมือสมวันฟังลๆขันเป็นมีสุขเลี้ยวให้เอ็นย้อนกัสุขิง ตันลกงิงขอจงเนหยดนกันเลื่อเลื่อหลังเสือนน้มาหน มาบ้านรับหน้าที่นางบุบบานขอรับขานเขาเฉียดข่ายขยายขวานตอบผู้ฟังและเชิญติดตามต่อตั้งฟังเมื่อเรื่องบทคดีเบี้ยพ่อพีมีทางดังความกำลัง จาอ้างนับแต่มาโน่จังละของมุ่นมังเลี้ยงปูยาอยู่คุ้มน่อยพัดฐานได้ลายหปีเความเข้าเอก้านทิ้นสถานนั้ว่าเสียกับคืนสุบานทำบึ้งเขาน้องสาวไปละ เมียตายแต่หลายบ่เอ็ดบุญไปทมบ่เลิมเสียไปเฮ็ดทวงทำต่อเฮ็ดเพีสี่จูบบ้านเก่าล้วส่วนมันไปเฮ็ดบุญแก่เขาหาใจเถ่าเมียผู้ตาย พวมปรึกษากระับปมไอ่รากระหับใจเพียงละคนกลัวเสียตัวกลัจังเนยต้วเสือิรอหอดเดือนอีกเหตดการณนเดือดใดบางรา หรือสีล้อดปีินายามเดือนสามกัเดือนสีเสีเอาเดือนใดดีเสีไปเห็นน้ำน้องเลกี่ให้มันได้เมื่อตวงแล้วล้วเมียเอยเมียพอเอ้ยพอเบียเผาเพียคือจังห์ยง ยุดจูโกเบียงบ่เตีงเบงอุสนแลมบ่อยากไอ้ฟุ้ค้นเป็นสีเนีนตาตขน้องังบ่ทันได้ใส่นี่ ละบุญขุนมีเพียงบ่เฝ้าสานองทานคุพ่อเมียมหาสารลสุดประมาณสีเกาเบาหันออเท่าเทียบบ่ถึงลเมน ทีเอาท้องฝ้าเบืองเป็นกระดาษจะเลือกนำทาเรียงเป็นนามเมื่อรักและเขาสวมเสเป็นสอจํำบันเึกคำประพันคอกบะโปรอ อ๋อปาคนเพลินมีมากมายเนาะเรื่องเกินพันละน้าข้าบอดได้สนออไทยพ่อแม่เฮาลตอนนี้น่อทางลูกเต่าเสียโตตอบกัตันอยู่เชิญตีตามอัศมดู่าดเจ็บจังเลยแทงล้ว ที่เป็นบาปหรือเป็นแค่เชิญยำเงี้ยวไปถาวรนาเอกบอดดวนเอกบอดนานการที่ได้สาบอุบอดดอดวนหลังจากต่อไปเรื่องละน่ะ แรงรงสท้าอยู่ สมมุดน้ำตนโภคาอาตตามานีหลับนาทีนั่งบัวบานในนี่ท่านเรื่องเบียเผาผีสนดเมเอ้ยเมื่อนี่บัวบานชิดทีทวนสิไปช่วนเอาเอือยผีผัดหมอเจาะพ่อดีรานมาบอกเอื่นตั้งแต่เศร้าให้ไปหเขาห่วมประชุมให้ไปห้มให้ไปตุ่มอยบานยาอาแพ้งสีอิพอมีเรื่องร้าวเปินสิปรึกษาเบา บัว บ, บานาังก็เล่ยฟฝ้าต ก, ตกแต่งแปงโตบาสิงโง่ขึ้นกับบ่อนสัทานที่เคยยังเชิญผัวฟังไปน้ำพอมไปซ้อมเบิ่งทังแพงสีเราสิมีคํำจ่าบาปไปจังใดเจ้าเบ้าเบิ่งดูโอ้แพงสีเอ้ยมัดเน่ อาลุนเบกาเบกฟามาเลกมาชทยอาลุนไก่ล้อเสงสีในเล็กตีแล้ววันนี้เว ีมาถึงแล้วได้เตรียมตัวะกะตั้งท่าพวกสะทั้งกะพี่นองกะเตรียมท่าท่านางฟังเรื่มแนกตั้งในวายก็กะยอคู ตาเดียวดูหาขั้นทัน้นสีใไซลลยบ่อเดีแบ่งน้ำมันเพงขั้นทาวายน้อยมันเพี่ยกูยานไทย ว่าคอยบอริเวณขันติดเพลิงติดเทียนแถมสมบันอยู่เลยเลื่อยันแนวนั้นจังแม่นคูนมันบ่มางเงียดเดงเอาขอโทษดึงกะพอตู่กะแม่ตู่อย่าว่าคู่เอาใครทำ บาดไปจ้างมอลำก่อนสิ่งมาสแสดงพูดว่าเพ่งกาคายอันย์ เขียนมาข้อเรื่อยเรายาดองเป็งกระปองสินแผ่วกระพองอันสบู่พอมกระเวนยงนะข้าว อ, อ้อแผงกระจังขึ้นหาหกมือนบอตีเพ่งนะพระแสดงทรมาอยากใสไข่จากสามรอย เมื่อวานนี้ญาติคู่น่อยไปเทแถวเก้ากอดขายจีดลอยเจ้าภาพใส่เมาลดไปกะจีดล่อยกะมือจ่อยกะโบเหลือเมยไงหญ คันคุณยมนันบ่เสือคันบ่เื้อให้ถามหนูถามยาคุ้งูดเป็นมาลำการเปล่ยเป็นอยังแม่ยายสูงนี่ย ขันไปหมนงานนาจตีแผงเด้อพอไงเด้อเมยงขันพระนักเทศว่าเก่าผันให้คณย่มขึ้นใส่ได้จากสองกามึ่นหารับร้องนาต้องเทศนี้ คุณพ่อวีไล่คุณพ่อใส่ใจพร้อมด้วยลูกลานเจ้าภาพงานในมือนี่ก้อนสีแตงกวาไข่ทมจำให้ดีเดือใข่ฉานมือนหาผันอีกเกีดน้อยได้ยินบอกพ่อไงวีไล่ยุใส่ลับพ่อไงวีไล่นักยุใส่ ไเห็นทอดนาแม่นบอไปลีอยู่ในขั้วอย่างนี้เสียงไข้เทอเออมาเด้อทำบุญเด้อเมื่อนี่ทีธนาคารบุญหอยอันต้อนโยพีเด้อโราณล่าสีเด้อมันจังเสียงมวนฟังเทศหลอกพี่ก็คือกันทำบุญเด้อเมือนีเด้อจะเลื่มแถมสมท่านเอาบุญ อ้าวขันย้มตีว่ามันน่อยให้แถมลอดพอยง่ายลอดเมยง่ายขันหากว่าบ่พอจังว่าไวยานขย้อนเงินคอยบ่อขังนงานซา Ah. Honey. คือรังกันกับตัวคอยแผงสีเสาาชาวบ้านสาเมตไตจากแต่วัดซาดูดูฝนฝนพานแล้วพากุณแก้วบ่าถึง คนสากันอยู่ตึงตึงทั่วท้องทิ้นยินกระแส่อยบอกเคสสมโพนิ์บอกเคส สัมโพนีนะให้มันปล่อยให้มันโมโสกันเลืงบ่เคยเตื่นคนนินท้าจะว่าพื้นแห่งกินเขาอร่อยดีแม่ใหญ่นะ สาสตร์วะตุของคอยนี่บอกเคยเที่ยวขอคนกินมีทรัพย์สินดินดอนอีไใครน้ า, นานอนตากันนแนววัตุของผู้ข่าบอกอตายบอจนดอกสีขอบอกซ้ ม, มีจ้อยวาตูคอยบอกเตืนคนนะ อ้าวสิเฝ้าดันสิเฝ้ามนไผ่มาป้วนชวนทำบุญโอกาสลุ้นเลือกรรมดีผัดมังสิทำเนื้ นะเดี๋ยวนี้แม่ยังขะคอเรื่องเงินทองบ่ทันโมนสิขอผาดสิขอพนออย่งออนวุ่นจนคอเที่ยวทอตัวเจ้าเมก็ได้ ออกสูมมูอไอ้ไอ้กันยังบ่ทันติ้งขิ้เนี่ยเสียจรทำีลีต้องปืกสาหฤวงเน่เรื่องทำบุญแก่เขาหาคนไต่ปวดยากนี่ว้ยเด้น่จังเมนยากแท้แท้แท้แท้ตายแล้วกันยากน เอาละนัวขี้ขานเว้าเพื่อเจอละเบื่อป้วงเว้าควันพีฉันแทงสีจันสวรรค์วาสิขอสังวยนังหยุดปราศัยแต่เพียงนี้เบียเ่าเพียกกัง เอิมสีเผากีชันสวรรค์รับหน้าทีนางแพงสิยใครว่ากี่ต่อหมู่เจ้าสัทธาทองเนี่ยผู้นางฟังนั้นลานั่งนีสะท่า สีผูเป็นนองเว้าค่ำสื่อบ่หำตัวคอยกับผัวหน้ามุ่นไปฝากจำน้องไว้กูเงินมาวาสิไหพอบักเบียไปเมี่ยงนอกธนาคารเพิ่นอใบทีใบบ่หันใดไปไทยถอนเบียเผาผีคอยกระถอนป้อมก็ใส่น้ำกันไอ้คำพันเอะปวบาันบ่หูจากนั่นสันซำจักเปลี่ยนจางไหนดอกไม่ใหญ่เอ้ยผู้ขาก็ได้ ตื่นขึ้นมามือเศ้ามือแทะกับพ่เป็นแต่อยู่แต่กินนะเม่ยใหญ่เอ้ยขอบปากินน้ำเหนี่น้าศีนี่ศีนี่อย่างวัดตีผู้ขานี่เอาใบไฮ ใ, ใบหน้าใบเบีย้ยเผาผีที่แม่เพิ่นแบงเพิ่นป่าในผู้ข่าแล้วเขาจนาคาดเอาเงินดอกมาทรงพอใบเบี้ยไปเมีย่ยงนอกขอบไปจากทางอยากมีนํบบาบ้านน้าเมี่ยงเขาเม่ยใหญ่อเอ้ยที่เป็นปวดเป็นโพซาใส่ของเจ้าของจะว่าจบก่อนน่ะหันหรกระเลยที่เป็นปวดเป็นโพ ไม่ไงแดงเอยไปบ้ากุ่มใจแห้งทะลา ย, ายบัดเนี่ยอันว้างเงืนไปตั้งมาแสนกว่าพุ้นก็บเป๋าหูจักละทั้งอบริษั ท, ทสิทรงลูกทรงผัวผู้ขาไปทำการทำงานกะมิดมีซีต้อนให้เข้ามาส่งข่าวส่งข้าวมาดีเมรว่าผัวผู้ขาดใได้บินไปทำการทำงานวันใดเดียนใดปีใดกระไรมีกิลีอยู่ไม่ไงแดงเออขันเกขาหลอกเขาต้มผู้ขาสิพอติดหนีต้มหัวแยมมือพุดติลบัดเนี่ย ตื่ขึ้นมาเหมือนเศร้ากับว่าปีนแตยู่ตะกินละแม่เอยผู้ขาดกุ้มใจลายเฮ็ดจังไหนน้อข้าเขาหลอกเขาต้มพวกขานายบ่มาละผู้ขาดกุ้มใจโอ้ยบ่ามาละกุ่มกุ้มลายกุ้มเฮงอ้าวแพียงสีเอ้เป็นจังไดเอ้มือหนิมัคือจังตังเกาต่ า, ตางหลังแท บ่ไมีเบียกมีงานอีหยังเห็ดท้ำตีปี่งคอยมานางจมนางเบาอยกปู น, นึงปูเดียวจังสีปยันทั้งเงินใกล้กันเขาอยากไล่หูตีอยากไลก่กระสั่งตับสั่งปอดนั้นเปลี่ยงไอทีเห็ดอื่นเห็นไก่ตัวปลได้มาหนึ่งเข้าหนึ่งน้ามือยู่สุกกินมืดหัวตับหัวปอดมันตัดดันเด้อนนั่น เอาอสิว้าจังสันกับบดายได้ละแพงมันเป็นอย่างไอติดโย้เฮืร์นใกล้คิดติดกันใกล้หูจักเกียงอกเกียงใจกันแหนะโดยเฉพาะเว้าพื่นคนเว้าพื่นกันมันแหงจากไรหูแทะได้นางอันชันบด้เว้าพื่นค้นไออาทิตว่าพื้นเจ้าของนี่ว่าพื้นเจ้าของนี่ว่าพื้นเจ้าของนี่สมัยมันไม่ไงแดงพราะสิมาว่าวผื่นคนมันได้นาได้ตาปาะนั่นเด้อมาได้เว้าพืน่นค้นว่าพื่นเจ้าของเห็นว่าไม่ไงเดงแล้วว้าพื่นค้นเกียงหลายอาย่ร้อยสามปีตัวหันนั่งขโมอยุ่นเนียน เจ้าของเป็นอีหยังหลายจังค่อยได้เอาพื้นเจ้าของแต่ น, า, นางแต่ย้อนว่าน่องเนไปวังเงินเอาเงินธนาคารออกมาส่งน่องเคยเจ้าไปเมียงนอกเมงหน้านได้เอทีดทั้งบริษัทเขาไปาส่งข่าวมาสัญญาณเขาหล อ, อกเขาต้มสะดอกัะกดเลยนั่งเฝ้านางจม่มผู้เดียวสอกไอทิดเงินค้ากําเจ้ากับบ้างเขาไปแล้วเราปฏิเสธแสนกว่าพูดอ้าวแพองอเ อ, อ้ย เป็นจังใดจังใดกับคือสิได้ไปยุดอกตีเขาเกิดเครื่องสีหลอก่ลอมดอกเพราะว่าสมัยเสมื่นมันจะเลื่อนแล้วเส้ามีแล้วที่หลอกที่ต้มกันนั่นน่ะใจเย็นเย็นสิได้ไปยุดอกจะคิดหลายมันสิไปโลกภาษาเดชแพงามันเป็นจังสั้นเพื่อกิสิได้ไปยุดอกว่าตีตีสีเด้ไปยุดอก ไก่จะพดกัโพไปเหรอน้องมันไก่เขียนจดหมายมาหาน่องหานุงนอกอ่านหะัเปลี่ยนรอบข้าวรอบผุนใครวางเงินก่อนได้บินก่อนแต่มันว่างน้องกับเฝ้าเล่นเข่าตรัค้างเข่าเงินมาวางกรงหมูก็ครอบไปอยากเป็นที่หนึ่งที่หนึ่งไม่อยากเป็นสองกรงไข่เสดยีนใจเย็นใจเย็นใจเย็นเสได้ไปอยู่ดอกบ้านตาแดงห้ามห้ามเฮากับ แ ล, แล่นนอกไกลคนยืดเดี่ยนละแองจ้าเอาไปจังไหนมาจังไหนก็อทีดืสอสงสีต่างๆเถิคขึมาพร้อมเพียงเหียงหนาเถิดพี่นางกลับมาพร้อมจันมาหานองหานุงหันมีถุลาอีอย่างก็อสำคัญอะไรก็อไอทีด เอ้ากมีตุราสาคัญสิมาบอกมาจากกับเจ้านีละแพงคำว่าทุราสาคัญจะว่าม่ยิมเงินยืมขัน้ำนองน้ำนองเด้๋ยวมีให้หยืมเดียกันคำกับเจ้ากมีสันยืมเน่ยหยิมเน่ยหยมเน่ยทุราสาคัญก็สิว่าแต่แต่ม่อยากยืมเงินอย่างเดียวนะมึงก็ได้ตากะทันไม่เงี้ยไปแดงมึงไปอย่างไอจิตมันเป็นอย่างไหาพี่น้องป้องไปขันสองปีสปีมาหากันเงินหรืมีไหมโหลดของตัวโอ้ไม่อยากกันมาหยืมเงินคันปมาหยิมเงินสิมหาหาซีเตกไออย่างพี่น้องกันทันทุลาแนวอื่นแนวอื่นกมิตยูด แพงมากมือนีบเด็ดไมายืมเงินดอกมาตุลาอันใดคันบ่มาหยืมเงินน่ะไอ้จีมันว่าว่าท่านใดมันายังเอามันกับเาท่านครบองค์ประชุมเนาะอเมนผู้ใดสีม้อีกก็ดนี้ครักอีบัวบานพี่สาวมึงนั่นเด้สีมาสมทบอีกคััวหนึ่งก็ได้กะที่สำคัญเติบอยู่ด้สั่นเนาะสคัญเติบนั่นและแต่ว่าเลียวไปเลียวมาก็เห็นแต่แต่มึงผู้เดียวผัวสูมันประโยชติอยู่เราฟันฟื้นอยู่หลังเล่าผัพ่อบักเบียหั่นอ้ากะเอิญคำม้านี่ไมเนาะเอิญมาอย่างเราเฮงว่าวน้า น้ำกันเบิดสู่กูสู่ขนสู่ถอยสู่กว้างนันลาสำคัญยุติสำคัญผัวมึงกับสำคัญคือกันนั่งเอิญไม้ยำไหล่ไหล่ที่เอิญมาเดี๋ยวนี้ละเดี๋ยวนี้วะทีเอิญมาเดี๋ยวนี้ละเร็วๆอันั้นก็ะหูจากความบอบุพีน้องพอกไปไม้ยมกับปลกปวกอยู่หลังเล่าพลับผัวสันไม้ไผ่แดงเอ้ยที่มันกระหูจากความกระกกเดียดซาท้าเอ้ย พ่อบักเบี้ยเอ้ยวันมือเราเท่าเด้อไอ้สันม้าอีญ่สันมาวันมือเลี้ยงวันมาก็วิ่งมามามาเดี๋ยวนี้มามามามามาแล้วไอ้ทีสเม่นั่งยิบมเปื่อยๆนุ่งเสื้อสิเหลืองๆหัน เอิญลูกเอิญผัวก็จะเป็นต่างบ้านต่างเมืองเขาขากเนโน้แผ่พอจะว่าตั้งมองไดดอกที่ก็ได้ตัางมองเอิญนี่ละมันเป็นอย่งมึงเพียงค่อยบอยยางไปเอินไกลไกเพียงค่อยบเบาน้าเขามวลมวลเปลี่ยนจังค่อยห้องเซกันแจกแจ๊กยุแบบนี้เอาไอ้ทิ่ก็ะได้เนาะ เจ้ากับบังหูจักความนอกความในนํานองน้านุ่งเนาะบหูจักแล้วมันเป็นเจไดๆก็ขั้วของสัอพ่อบักเบียดัะขั้นพ่อจ้าพ่อจ่าแเราบ้งวกหนามาเด้อพ่อบักเบียหั่นขั้นบักนั่นบันีแล้วแล่นมาสั่นหัวสักหัวคว่มามมาสร้างเปลี่ยนแต่คนัวสกมีดหัวสัตวมันเปลี่นจากสั้นหัวสัตว์ต้องนกันมาที่แรกคนไอเทียนเนี่มาเนี่ยเทบบานพอนใช่เป็นยังสี่เต๋อเปลี่ยนเบอสุกุมนั่นแหะผู้ได้ละเปลี่ยนคักกระมุนไม่แงแดงเลยนะคัก Ừ, ảo, เออเอานันได้อ้บัวบันก็มาพอดีลาเอ้ยบัวไอ้ขึ้นนัดว่าให้พอดีแต่เศร้าเศร้าปนและมันมึงอยู่มึงยากแนว่ใดจังค่อยมาเอาเส็ยสวยเพี้ยง่ายเป็นนี่ยละอีลาเอาไอเทตเอ้ยตื่นขึ้นมายนีเมื่อเศร้าเนีเหมือเศร้าในกระยากไหลอันไหลเนี่ยยากน้ำหลานขายของสนอกไอเทตก็ช่วยแสกแขกสิบกสิบังก็เลยได้มาซาสนอกไอเทตเดี๋ยวนี้เออเอามาซากระย่งดีกว่าบัวมาอยู่ดอกลา นั่นละ่นละไอทิศเอ้ยมันเจ้าตามน้องตามนุง่งมันมีทุระทุลังอะไดสิว้าสิจ่าที่ไอทิศเดี๋ยวเนี้เอ้าก็มีทุระซ้ำขัญอิหลีอิหล อ, หอนี่ละ่ะสิว้าสิจา่ากับน้องกับนุ่งทั้งสองขอบขัวนี่แล้วนั่งเอา้ามันมีทุระทุลังอะไดไอทิศมาส่งสิมีเหลียงควนันเลียงด้วนคักปนันทีไอทิศเดี๋ยวนี้เอา้าล่ะเอ้ยนับตัง้งแต่อีเมร์ของเฮ้าตายไปได้ปีกลัวๆใกล้สิพอสองปีเราได้อายวานน่ะน้าเออเราก็ตายไปตะหล่นเล่าแล้วเมร์เล่าเพท่านเฮ็ดบุญแจกเขาหาเล่า ดังนั้นช่วงนี้ไอ้เกลือว่าสิผาพวงเจ้าในเฮตบุญเจข่าวหาอีเมลของเฮ้าสันดอกเมื่อสิบบาจังได้สิ้อมสิเพียงบอดสันดอกบัวเอาไอ้ทิศเอ้ยอันเบาเรื่องของอีเมลนั้นคอยกระิดบอเศร้าม้อยแห่คือกันตั้งแต่พอบักคำไปเมืองนอกกลับขึ้นมาบ้านก็ได้เงิ่อนค้ามกำเกี่ยวกระพอที่ได้จับใส่ใจอยู่ตัวอันเลี้ยงบุญศิลกินท่านของอีเมลนี่คอยบอดมีแนวของแนวขัดดอกคัดไอ้่าปผอมเพียงแย่งหน้ากันจังตันแล้ว ก็เหตุสัที่หามือหาเว้นรถไอจิตคันจะว่าจังการเอ้านอย่างสัจนั้นกับปอยานักเย้บวเจ้ามเมื่อเดยวเจ้าเอารถไอ้บัวเย้บัวเย้บัวอย่างลับเพง อเมนมาเจ้าสองคนแม่นปรึกษาหาหรือกันเว้าวอีหยังก็ได้ยินพอมโมอินมมบินน่ยปังบอกคักปัดได้เว้าวเรื่องหยังกอพีเว้ า, วาวกันปรึกษากันอยู่นี่อีลาเอ้ยกับอ้กับพี่เขากับวา่าดีถ้ำบุญเกล็กเข่าสนอกล้าเฮ็ดบุญเฮ็ดบุญเกล็กเข่าเฮ็ดบุญหาเพื่อละเอียอก็เฮ็ดบุญ ห, หาพอหาแม่เข้าหน่อยอีลามื่อจาอะไรตีแพง่งเฮ็ดบุญหาอีแม่เออต่อมาคือสีไว้สีว่าแต่ขันว่าเฮ็ดบุญหาอีแม่ก็ะไดเสียดวันใดเดือนไดปีไดล่ะ มองไนมองสีิตนหายอีเมนบัวลเอ้ยอีเมียเากระลับตาาโลกเกือบสีสองปีแล้วเล่่มามองซีเฮตกระตเฮยูเนเทาเฮยูสกอเอาเฮยูเห็นมึงนี่ละเฮยูเนสันติเอือเสาดุเสาดุเสาดุสันประเฮเดอสันพระพรเดเสีมาเฮตเห็นน่องเห็นนงจังไอ ไเห็นตีเพราะไงสายใจวิไลฟ์ระเดี๋ยเนี่ยเพิ่งมีเงินเป็ี่นมื่อเป็นแสนเพิ่งมีเงินชาปนกิจไหลมือนหลเสียนต่อประจังเห็ุได้สันเ่๋มีเงินมีคำสันป่เฮ็ดดอกสันปพ่อมสันปรเฮ็ดสันปพ่อมสันเฮ็ดสันป่เฮ็ดสันเฮ็ดสันเฮ็ดอีละ พอบออมึก็จได้เฮ็ดมีบอมีก็ได้หาตัวนังมึงบจากแลยหัวเล้วหางทีมันบอกาหัวมึงตีลาขาอยู่ัวังขาเห็ดจังไหนแจ้สั่นเปาเงินมาตจใสเป็ยนเมื่อนเป็นแสนปันั่งแจ้สั่นไปยืมเงินมาเ็ดบุีน้บ่ยนู้บ่หยนู้บ่ยุมนูบ่ยุดนูยุนบ่ย่ยุดน้นบ่ด้่ด้ด้ยบน่น้ยดย กะเจมันเฝ้าโต๊ะอกตกใจป่านนั้น well, ขั um <rat> <s <navy> <s uh ้นบันเส็จบุญหาอีเมลของห้าออีลีอายไส้กะบะปล่อยให้มึงเห็ดผู้เดียวดอกไอไส้กะสิออกซอยเมืงอยวงกะบาตกอกตกใจจะาไหนกะสิมาตั้งยุหินสัน กะสีปาหนักนอกห น, น, นักน่งผู้เดียวฮันตีเอานันลากระหังหนักยูดอกแต่ว่าไอา้ไส่กระสิออกซอยมึงอยู่สันดเดดเนี่ยแพงเอกว่าจังว่าว่าปะาซุมบูดเลี้ยงกันออกเงินออกค้นี่จีมนออกซอยแมนออกกสออกน้ำสันลไลยปได้ไละไอทีดเจพันเ อ, อ้ยัวนัะสออกไล<อ>ไป ไ, ไ<อ>บัดเนี่ยส่วนว่าเอยวยาวพีนี่กัึกษายยูดอกกับพิไอสูนี่เราก็ตั้งเข้าแต่ว่าเรามาจากนอกไม่ไมกับว่าหพันเสนนาง มาคือสิออกงอมเทลบัดเนี่ยมัสิยอมยุติอีหลาเดียวเนี่ยพียงสีกางมตัวฐานห น, น้าเจ้ากะดีก็มหเหี้ยนเจ้ากะาขสิ้นไข่ของลูกเจ้ากะเลี้ยนจุบปัสุกุลสกุล พ, พ, พี่ไอก้กะกับมาออจากแมงนอกระแมงน้าใหม่ๆหมอสีมาออกค่ะพันจะไหนมได้ออกหมื่นมืืมืนๆๆพุดเป็นจ้าสส ม, จมเจ<อ>้เอ า, อ, าออกหมื่นพุทธอีหลามึงกระได้มสิบับังเบียดเอื้อยพี่คักปนันแทบไปนอกไปหน้ากะหักว่าจริงอยู่ กยืมนี่ยืมสินยืมบ้านยืมเมืองเพิ่นไปคือกันการบ้าก็ใส่หนี้ใ ส, ส่สินเพิ่นแน่ตัวอีละ่ะกระสั่นกระบื้อำส ม, มัยทีท่าสั่นเท่าไรละ่ะ7ก0 0ร์พันเกียร์พันี่คือจะมามีปัญหาดอกหล่าเอ้ยแพงสีมามีปัญหาที่แน่นอนละ่ะบัดดี้ กับพี่ไอ้ตกลงกันเรียบร้อยตกล้งกันเรียบร้อยบ๊แมนบุญแล้วแล้วฮอตแ่นนอซันติ่นหยันกันล้มแค่มาได้ดเลี้ยงออกบุญหาแมียนบอมี่ถามกันปรึกษากันบิอ่งดีทั้งพี่ไอ้ทั้งพี่นางอ่ะบแมนบ้านพ่อไสบมีพได้เป็นท่นบอกอาจังม้าดีออกเกียร์พันไอ้ที่กีย0เกียรพันยัวกกพันคนรักครอบครัวและเกียพันกลรวมเขาจะเป็น หมื่นสี่เหรีไอ้พิบัเนี่ยนสิบเป็นเงิ่นตั้งเข้าตั้งตนได้แล้วได้นางแล้วแบนี้สมันเสีมันเหียดด้ไอ้พิษแม่หยางแน่ล่ะอ้าวว่าทีเป็นเนี่ยเป็นไขเหล่ายาป่าปลิงผักนังหางหงาแนวหอกแนงงันมนผาบนสูงมันเป็นของผู้ใดบัตรเนี่ยอ้าวก็เป็นของมึงผู้เดียวนั่นแล้วของฉันเนี่ยเออไอ้ิตว่าจังไหร่ราชเชี่ยวเงินใส่หมกบุญน้ำมานเจ้าบัตรเนี่ย โอ้ยปกษากันตะวันนั่งสองนานว่ามันสิได้กามือกาเบนว่ามันสิเด็กบุ่นห็นมันแล้วมันตัวมึงคือสมวาจังสันเนี่ยเนี่ยีเง เอาเบ้าดีๆเบ้าดีๆล่ะเอออย่าอั่มอย่าเสียงอย่าตัวอตัวเบ้าให้อายฟังอย่างคัคากโลดมีหลายปันไดเงินนั่นได้ฝากไว้บออยู่ในธนาคารน่ะนาเอาไอิีสันสีเบ้าคว่ำจิงสุ่เจ้าฟังได้ไอจีเตอเออเบ้าความจิงมาโลดเอาฟังเปิดเธอมาเห็นไอมไอจีเป็นอย่างบักเบียลานเจ้าหน้าแมวเอาบอระไสคขี่ไปโรงเรียนน่องก็เลยหอมลอยหอมเงินน่ะเปดามอเตอร์ไซค์ออกมาให้มันขี่ไปโรงเรียน เดียวนี้เงินกับมี้วพอได้ใส่ได้สอยเงินเป็นเื่นเปลี่ยนแสนกับบม้หลาที่ก้าไให้สันยืมก้อนหันเอาสิยืมน้าผู้ใดยืมน้ัวหันเด้เอาสาเด้มสิบ่โกงกุติอางาอยู่ใส่นอันหยุมอเท่ากับรอนี่กระได้ว่ารัดด้ดอกเาเอาเอาละลเอ้ยจะเฝ้าเฝ้าหาทอเรื่องหยิบยืมเงินค่ำกันมาเหตุบุญแจกเขาหาอีเมลของห้านา หามันมีปัญหานำกลมันจีแก่ยากมันจีลอยเบืองหนากันบทิทเอาเจ้าสิถีกว่าแพงเอาไว้ปีหน้าจังเงีบ ต, ตีพอบเ้าเนีมันจีเปลี่ยนไปได้น่ะนาเน้เปลี่ยนไปได้อันใดะไอ้ที่อักบยเบีย้ยเผาผีของอีเมลเล่าเดนด อ่เพิ่งจงไว้มอบหมายมึงเป็นผู้ถือผู้ค้องนั่นน่ะมันยั่งยูบองนก็ยูน้นองน้านงเนี่ะมันสิปกเียวอย่างจะเทศญี่ปุ่นแกเขาหายอีเมแหละไอจีบมันก็เจียวโดยตรงนั่นน่ะมันเจียวมองไดมันเจียวมองไหลไอ้ที่เขนผีเพิ่งจงไว้ถ้าทําบุญแกเขาหาค้นตายสันเด้เดี๋ยวนีแพงมันเป็นจังสันทีมันเป็นจังสันอีเมก่อนที่ตายเราคือาสั่งพมใจังสันวไอจีบเขาสั่งใบใาจังไหให้มึงเป็นผู้ค้อผู้คร้องเนี่กางสั่นมึงเป็นผู้เลี้ยงก เราคือบาว่าขายทาบุญหากู่แล้วเรคือบ้าว่าสันติทีเรากลายเป็นมึงเสีเข่าใจไอ้สันได้โลกก็บเรื่ว้าซํานั้นแล้วบันนี้ขันนั่นมึงมีเงินมันกับบยากที่ละแพงก็ครอบบ้ามึงบอมีเงินอ้จะขายมันแล้วมันทัวขายซะขายซะเอาเงินมาเฮ็ดบุญหาเราเห็มันแล้วเป็นกูซังอีเมหังหลายซัเนี่ย ท่านกูหูจากจังซี่จางกูก็ไเลี้ยงหัวตับหัวปอดมอสมึงสีเวลาจังซี่มันได้ลื่นมูหละเ็นจังสฉลี่ยนาขายเฮ็ดบุญหาดโดยเฉพาะดูสังไหลมันกิถืกต้องลาลาเพิ่นแบงไบจังสันมันกิเถื่อลาลาอันได้กูกะเบิดหลยางไหลเนี้ยกูสา่าถได้ลื่นมูสัต่ง่ากูขายได้ลื่นปนนาายะอเข้าใจเองเอาขายรวดแพ้ขายรดท่านก็ขายบ้านอันพรอไซกัสีเหลาพื้นคอยล่ะแมน่าประตั้งกันตั้งเฮ็ดบุญหาพ่อหาดแม่้าสิบปลูกอกตันยุจังสัจังซี่ มขายขายให้ผู้ใดล่ะแพงขายกะขายให้เจ e oh, ah, e ้าล่ะเจ้าเป็นไอ้มือมุดมังสังกระยายอีแม่กรเปลี่ยนห้อยตีนห้อยมือเรานอกก็ไม่อยากเกลอยากใกล้ไปทั้งนอกเจ้ามาซื่อน้าสันใส่ทิพยมือเสียบ้าหลายปันไดล่ะสันเคยเป่ากันยุดอกกระพอบแบบเบียรหั่นปรึกษากันยู่พ่อบักเบียร์ละบาจังซี่ล่ะ่าจังได้ขั้นขายให้ผู้อื่นเนี่ยแสนหาขั้นขายให้พี่เห็นนองแสนสามแสนสี่เลยแล้วว่า โอ้ยแพงเอ้ยขั้นสิว่าหลายปันนันไอยบ่มีปัญญาเอาดอกเพบ่ว่าอ่บ่มีเงินเอาจ้าซี่สักเพียงละบัวเอาจ้าไหนไอ่ทิดเอาผัวมึงก็ม่จากเมืองนอกใหม่ๆอยู่เงินค่ำกับสิบปอย่งอยู่บอกจักแสนสองแสนนั่นน่ะขั้นจังสันมึงก็ซื้อไว้ซัเพียงละลาไอ่ทิดเอ้ยตั้งแต่กี่แต่ก่อนกะหักว่าสิพ่อมีอยู่นั่นน่ะไอ่ทิดเงินค่ำกับเจ้าก็ได้ แต่ว่าตกมาในเดี๋ยวนี้นะ่ะมันบอมมีเงื่อนหดเสียนได้ไอาทิตย์เดียวเนี่ยวสันเบิงอยู่เดี๋ยวเนี่ยเอาไปเฮ็ดไอ้หยางเอากามาเปิดด้านขายของโลกทุ่นการค่ามู้นอะไรอ้ทิต มันย่งหลายปัญหาสันน่ะเอาโอขันสีเหลืออยู่ไหนกสิได้อยู่บางกียมือนหลอทิมันบ่หอดสงหอดเสียนดอกอาทิตมีหลายปัญหาก้อยเย่บวเืเกีมอ้าวจังสี่ซะไปอย่างเอี้ยอ้าจังไนล่ะเจ้าก็เงินกียมือไม่สันยืมก้อนเปอย่างบัตรเนี้ยเอาสิได้ยืมยติเอาันบปยืมกสิได้เฮ็ดหรือปุนหาอีเม้นั่นขั้นเอาทีเอาทางใบเบี้ยเผาพีการให้แตว่าบม่มีเงินสื่อเงินบรเพียงบ่อพอ ขันสั่นยืงเงินเจ้ามานันยัยบัวเอ้ยอเยยนนก็บมืินนันสั่นเพราะห้โดนให้นั้นขอกทันทีใส้คืนนัน เอาคือ่าจากสันเห็ดจ้าไหนสิบ่อไฮดวนห้นั่นล่ะเพีงสีเอาสังกะสีพิมพ์การพิมพ์ซองไปหาพี่หาน่องทั้งอื่นทั้งไก่ถันตัวพี่น่องป้องป่าหากตัวมีแต่ฐานาติอยู่สู้ขู่สุขครอบสู้วอยู่ขันมาสังกะสีผู้ดองน้อยๆข้นอยู่เหลือน่องมาไหนที่สันนกับไรแน่นอนเย้ัวมาขาดทุนหรอกกำไรแน่นอนเอาเห็ดได้แน่นอนเห็ดจ้ไหมาคือสิโพดสโพดเทเดี๋ยวนี้แลวก็พูพูต่อจกสพิมแม่ไปจากหาพันซองพี่หานองมาหันอันพี่นองป้องไปผู้ใดม้าไนเขียน สลักไสหนาสองพอมขันทั้นขันเปิดเบิงพูะใดชประท่านสองลอยสิน้ำดาฮอดเย็นปุดที่นอกบ่อยกินฮอดเข่าน้ำปุดไล่ดนีกับหม่องเมื่อเกิสิขักสิเนี่ยเถล่าเพียงสีอันคันว่าเพียงพอพอเสียจังไหนมะตี ขันปอเพียงบอพรนั่นมันบหยาดดอกใหญ่บัวเออสันไหนบหยาดสันนี่ที่เอาใบเบี้ยเผาผีไปให้เจ้าถือเจ้าคล้องไวเออหยามสันมีเงินกิจมือสันที่เปิดไปถอนมาใคือเกาดอกโอ้เอาเอาขันองนงบาจังสันแ่ทังเอือยปีนี้ก็บบัวหยางดอกลาขันบัมีกให้ยืมกันละกแม่นตอนนั้นมับบัมีทั้งไปกขึ้นตอใตอปีนั่นละนอใหญ่เนาะให้ยืมอยู่ดอกลาแพงสีให้ยืมเยอะระเบิงขันรายจีเงินคำกันแก้วกันกัเป็นมืเป็นเ ขื่นไม้จังเสียเจ้าสิลงบันทึกมือ ก, กาคํามอันสัญญาอย่างกับร่องกับนงบ่ไหลเยบัวแพงเอ้ยอันนี้เขากัดผีกันน่องกันขื่นบ่ได้ไข้เบาออกตัวอีหลาเห็ดจังไนหกก น, กไกนกันหนักเอิบหนักใหญ่คือกันขั้นเบาเรื่องเห็ดข้ามอันสัญญาเนี่ยบันทึกมือ ก, กาเนี่ยเอาจังสี่สาเอาจัง ไ, ไหนเย่เรื่องนี่ให้ไอ้ให้ใหใหพี่หอบเป็ีนพูด จัดภูถ้ำสัญญ<อ>าขั้นไอ้ทิศว่าสัญญากับสัญญาขันบัดสัญญากับบัดสัญญา<จ>ขั้นแล้วแต่เราสิปเปลียนเดออ้ออันแล้เป็น อ, อ้หมูอเอออาว่าจ้าไหนได้ไอ้ทิศบัดเนี่ยอ้โสูก้ก็เปลี่ยนพี่กันน้องกันล่าเออยืมเงินกันครั้งนี้ก็บมาเห็ดบุญแชร์เข้าหาอีเมลของเฮาดังนั้นไอ้บ้าบ่ต้องเห็ดดอกสัญญากระดายบันทึกมือกายอย่างกับบ่ต้องเส้นบ่ต้องถ้ำละน่าล่าเนาะ เป็นอันว่าป้ต้องเฮ็ดสัญญาใจกันตีไอพีก็เอาความเป็นพี่เป็นน้องเอาใจวัดกันโลดสูนหน้าก็เป็นว่าได้เฮ็ดต้นน้อบัดนี่เนาะวันนี้ก็อายกสิกามือลดได้บรรยาไม่มีปัญหาดอกไอพีดเอาเมื่อออกไม่สิบสี่คำสี่หอดนี่เป็นเมื่อห่อเข้าต้มซะ ขันเป็นสมัยโบราณเป็นกรว่ามือบีบขนมเนาะส <น S 2> <ไป S 1> ่วนบางส่วนว่ามือออกไม่สิบหาคำหรือว่าวันเพ่นสีฮอดนี่เป็นมือโฮมใหญ่งงเป็นมือฟังเทศฟังถ้ำดูดมห่ละศพงบงานสน่วนว่ามือแหมคํานึงเป็นมือตักบ่าจังสลัลว์ลายลาเอาไอเทปอันไดนคือได้มนเทศพ่อเอากะรรมดาเฮ็ดบุญแต่ละเทือเนี่ยนะสิ่งที่ขาดเพได้เกิดขึ้ มน์พระเจ้าพระสงฆ์มาเทศในจาก3มองค์สมธรรมะในสันได้เดินแพงมีแม่สั้างพิ่มไอ้าวเมนบสั้งเมไมันกับเป็นธรรมเนียมเป็นประเภทนี่จะต้องเหตุต้องทำจังสีมนฑ์จากองค์กับอ้าวกับสาองค์พลามันก็สิมน์มาไหลเทปัดนียอ้าวขันมน์มาหลายมันเป็นอย่างก็เปียงใครเดะอ้ามันเปียงหลายปัญใดอ้วก็เปียงรากะเปียหมื่นพนฟ้านสงสุมื่นเนี่ยมงสี่ได้ละฮั่นขันบ้อยอยากให้มันเปือเอาจังีเอาจังไหนไปหาอ้ท่องไอ้ท่งไหนจังมณฑ์ถือ ต่อเก่งเก่งต่อเก่งเกี่ยแม่ฮันเขาไม่อยาก่านไนหนาะก็จะได้เสียค่าไนหนาอีกเอาว่ากันเป็นกันเพเสียก็ได้ดอกเอาตามนี่ลาลาเอาสาองสามธรรมาสนลามันสาคั้นมองใดเดีนี้เอามันกัมิวมองอ่อนซ้อนตางอ่อนซอนมองใดกับมองสุดมองสุดท่านนั่นเองหลังจากเพิ่นเทศเรื่องจบแล้วนีท่านจบแล้วเพื่อนกิดเอินวิญญาณมะลับเอาส่วนบุญส่วนกุศลมา่กินขขากินปลาขั้นเพิ่นว่าขึ้นมองนีปะทุ คนชิงหลกยบหยาบบได้แพงเป็นตะอนซอนเป็นตะได้บุญอหีได้นะอาโมโมโมโเอาย่ำหมัอเบ้เป็นมีพประเทศสมองค์สามธรเนาะจ้าส่วนวันย่ำมืขึ้นมือสิงอั้นบองันเอ้ามือสิงงบหลายปันไดบ่หมื่นพ่นเอาคือว่าเงื่อนบอมีเอาสันาวหยาสันไแล้วหยาสันอยู่ทั้งสุวรรณคูหาบุ งานสัน<อ>มีเงินมีค้นงานสัน น, นเหตุส่วนอย่างสันเป้ า, าเราไว้หลับเราสิยยมเราห่ามืนโอ้สิสวยืมเงินงานไม่าจาังแนวงามย้ำเพื่อนจ้เออเอาคั้นมึงมี่มองคือต่อจังสันอายกับเบาใจน้ำไหลเอ้ยแล้วอีกอันนึงกับสาคัญเด้๋ยลามองไดอีกแบบอาหารการอยู่การกินนั่นเด้น้าสาคัญที่สุดเพราะว่าเรื่องกินนี่เป็นเรื่องใหญ่โอ้ยมิตรบ้านทั้งเมียงเขาดอกที่เปสําคัญนี่อย่างต่ำต่อขงผัดหมี่สุกขจินก็แล้วดอกไอจีแต่มาขงผัดหมี่นี่ม่นบ่เป็นบุญเป็นงานเพิ่นกับจินยุเ่ยซู กระเจีงบาอือบักต้นกันนันลาแล้วเนี่ขั้นเป็นบุนเป็นงานกันพิเศษก่อนนั่นแน่พิเศษจากไหนล่ะแมิเนื้อแน่มีปูมิป่าแน่สันตโอ้ยยากับ่าได้ยากหรอกเฮ็ดจางไหนไปหาหมูกรีดมาจากตวหนึ่งหั่นมักแกงใบักต้นสีเข้มจากน้อยมักกะเล้วสันต์ับ้สียากอย่างเฮ็ดเป็นขูทั้งเถื่อมึ่งกะจะหายมีแต่หมูหลายปูเปิลบะกินหมูกับมีอกินกะซ่ล่ะกินกให้เพิ่นขึ้นไปกินเฮี้ยนเพิ่นมาท่านประเทศพื้นบ้านสันหมูได้ลาอ๋อสันหมูกะซ พอปาเปิ้นสันบลาได้ขั้นเปิ้นสันหมูหรือเปิ้นเทศบลาได้จะได้น่าขาไม่มีเนื้อไม่ป่าเนี่ยนั่นหรอขั้นมีเนี่ยกับใ่หยากดอก เขาเสียมาให้พานักเทศสันก็ไปซื้อจากสองโลซ่าก็มาเห็ดก้อยเห็ดหยังสุพันสัตว์แล้วก็เล้ร้อน้องว่าเอาเขาเห็ดแต่มันตัวมันถึงนันลาอย่าเลือกทีรักผักทีสร้างแหมให้พี่น้องป้อมไปเพิ่นมาผอบมะม่วน้ำกับเพิ่นพิส่วนร่วมในการรับประทานส่วนนี่เนเนาะเจ้าจังเมาสิบเปิดั้วเป็่นตู่เอากะสรน้ะมีเนื้อมีไตาเป็นตาในเบือเป็นสาพุลา ตัวบัตรเฮ็ดตั้งไหนไอทิศเอาเ็ดบุญหาอีเมลของขาวดอกลาเออขันทีกขาดทุนทะลอบั่งเงาเฮ็ดบุญก็ยังสียนขาดทุนอยู่ขันมาเห็ดตั้งโป๋มันเป็นอย่างกระป้อมโปโศใส่รถและนอเห็ดบุญหาอีเมลของเ้าเห็ดเธอเดียวเน้อล่าบดเห็ดเพิ่งองเทียร์สามเทียร์เเพราะฉะนั้นจะต้องเฮ็ดย่างถึงทวนไปโรดให้่บ้านทีเมืองพยองยองสันเิญันเพิ่มมาเพิ่นได้กินอิ่มกินเต็มเพิ่นก็ยกย่องสันเซินเจ้าภาพเดล่ ว่าเป็นข้นใจข่วงใจขวงหน่อเป็นค้นใจบุญสุนทาน ันบยบอติมได้บดเป้าเพื่อนท่านขวัเจ้าภาพว่าเป็นคนฉีที่ีังจังสั้นจังสีสแลวเป็นจังสั้นตีไอทีบุญมันกระสีเสียงเงินเป่ามันสิบปได้บุญนะนะตาทุบตาทบมันทีเป็นงานใหญ่งานตูเติบเปนต้นใหญ่นในชีวิตของเฮ้าบุญละเอาตามนี่และเนาะลาเนาะเอเอากคือเจ้าเป้าเจ้าว่าลันเหตุทางเทียกะเหตุเหตมันละหลังการไป็นน้อยไอจีเนาะเออบุญเอยบุญแจกเขาสัต์ท่าเฮ้าดสางแตงสลังเงสลแหงทุนนสั์พอมย่อแต่ อุทิธานไปปุ่นจุนเจือทานผู้ไหว้ปรันมราณาดับสังขารสิ่งชีพขันบันไล่บยเป็นการสงเคราะห์ช่วยเปตชนในป่วนตำในป่วนสุกีิ ง, ง, งลำโดยผลสั่งที่ทรงไปคําว่าบุ ญ, บ, ญบุญนี่ป่วนนักว่ามันมีจิงคุณโยมเอ๋ยบ่ได้อิงคำมูสาพระสัมมเปุนตัดแลว้วแมนสิมีเงินข้าแก้วพ้อยนิ่งอันลําขาหกบดแดงแปลงพหลาแมนสิมีเป็นลอยลานค้นกิดเอิญไวาเจ้าโจร บัดนี้วันเวล่าหลวงปนหอดมือนัดกำหนดหมายคนทั to to like ้งหลายหลังมาาห้มเน่นอังอซอซองไผกะย่อไผ่กะยองสาธุการปอมพร้ำตั้งกะยกมือน้ำโมทหนาสาตุ้วยในการสร้างแตงผลาบัดนี้มาฟังเบิงทั้งปูหลาเจ้าภาพใหญ่นั่งแพ่งสีเล่าสิมีค่วมจาวาจังใดในตอนนี้ บอกเบื <How? S 2> no. ้องดูแพงสีเอยเป็นจังในละพี่น้องมัวน่บ่อผู้มาฟังเป็นจังในนกคุณยนมนะลพูที่มานอฟังนึอ าวดอกนิวบาลดอกจันเยมเดดเอมเซ็มย้ำเดือนสามท้องฟ้าดินเ็สีครามอาลามตาเวลาเศร้า เดือนสามเพ่งเป็นมือหอมบุญแกกเขาที่ทางหาแ่าเมฆห่นแก่งแน่นต็มติ้นกังทางนะพวกแม่ขัวหาเขาน้าหมอกมาแต่งตักแก่งยายเสียงคูสุกเพิ่นบันยังแหล่สงพรบว่อน่อ ก้าวเรียนเชิญแขกทุกท่านรับประทานอาหารก่อนจะ ย, ยินยิอย่ารีบร่อนฟังทิศแล้วจังคอยมือเจ้าภาพงานพนเอเฟือศรัทธาใหญ่น้อง ใจถึงหันรำเพลงิงจึงคนโนเพลินจังโสเทถุนสำรับสวมเส้นเชือแขกทั้งไก่ไทยบ้านเนื่นย่าฝ่าวตาวลรีบกลับคืนหอดมืออื่นตักบาทแล้วจึงละรางกลางนี้ เน้่ยเสีบงันมือแหลงนี่ขนะดไ่หมอลำดังน่ยอยู่ถ้าฟังน้ำกันหววเสีบงันนี่คือกองขน่อรับร้องในงานนี้บมิตีกาขาเคียนซุมมัก่อนซุมมักเต้นพวกไวลุนนมขาน้องน่สนุก ปีบสนุกของสนุกเงาเร้ากกขาสุมมากรินกินสุรังบอ่อให้มากักวนมือมนด่านฝายคัวแผงศิลาแต่เส้ามาบอ่อได้นั่งจากเม่นยังเป็นยังเป็นยากยากยุงย่งยุ่งขนกะเอ็นควักบอ่อเส้านืง น้อยหนึ่งควักเอ็นเนาเขาน้อยหนึ่งควักเอ็นเนาแกงเอาลาบแดงเอาลาบสุกข้องต้มหัวคว้าหมูเนืนะสาราเพียงราพัดยุงน้ำลุงอาป้านาบบาจากน้ำแดงจากน้ำข่าวเบิ้งขวดเหล้าบังจกโกคนมาโหไว้ จากว่าใคจากว่าสิ้นพูดกินเก้งบอเกิงใจเหมือนยามได้กักวักมือเอินสั่งเอาปั่นคนไข้เนีงง่ยนุ่งยากใจไปเหมือสิ้นแนวใสกินสามถวยบวงพวกแม่คั่วเที่ยวทักทวงทมซอไวใส ซุปมาเขือแกองโนไม่เบิดแล้วไปอยู่ใส่โนทั้งมักต้นทั้งมกักกอทั้งพิดเกือกะปาลานะทั้งผากหนังหญ้าทั้งปูปากะปิปู น, ปนมีหลายหลากมากล้นแตง็งเตียมไว้ต่ใส่ผ้า พวกแม่คัวขี้ขาก็พูดว่าเป็นตาสังแนหายยังบ่มีเห็นกะแลนนังกระทมพิงนจากมาทำตายยังนี้กะลำปีซาลาแนตาบ่ อ, อื่นคักแท่เปียงบอกคนว่าสอค่ะ ทั้งเจ้าผ้าเพ่งเหนื้อยลาทั้งอีตอนลาใจอย่ามาถามเวรรำรังคอยแฮงสวนสิหลงป่อีอจากน้อยสีเพลนแล้วแนวใสพ้าหาไว้ไปแกงมะเขือสุปน่อไม่แต่ง จำไว้คูสู้อันเียสิ่งสำคัญอีกอย่างนั้นพระนักเทศบ่อฉันหมูบนป่าทูต่ำมักแต่งเพิ่นมาแข้งแกงปลายังทอดสีก้งดู้างปิ่นทาดมันเพิ่นบ่ออยากอุ้ยเนืน้จังเมีนยากกะมากเรื่องกางานานาสีบ่อหมู เอาละนวขี่ขานเบาซออคนน่ยนำมาบนเบาควันพเนี่ยจานสวรรค์ ยาทั้งไก่ต้องบอกเราให้มาห่มให้มาเตาสันสังสามเกียงจังว่าในมือเนี่ย เจ้าภาพไงนั่งแผงเสียอกใจยังเต็มที่ที่แขกมากัเตรมบ้านนะยายบัวบ้านไปใส่หนอ้อปเห็นมารับแขกซอยคือจังปอยให้แต่คอยเป็นคนหยุ่งยากผู้เดียวนะ ปต่านั้นน้องคือจังเขียวให้พาเฮ็ดแทนน้อบุญเบ้าขึ้นมาจังเมน่นศูนย์สิไรบุญบ่น อ, นอนะ้อนูนะเอาละ น, อนอ้อน้อเจ้าเบ้าไปลายยันได้บาปเรียนให้ทราบเพียงเล็กน้อยวาตุขอยนะ่ะอกอ้างลายละนะ่นะ Sadhan. หาเพลินมา่กินโตโสดทั้งเบิดบะมีย่างแจงแมนน อ, อนซ่อนไฮ่บอสนาสลายแต่สิหาผ้าเข่าแลนหอยหัวผันเตาพดกินได้ใส่เน่ากินตะมือหอกข้าวตุ๋มปันนี้กระ บ, บ๋อเศ้าจากว่าพี่ยจากว่าเหล่าทั้งน้ำเป่า น, าาานาันตักลมจนมากมาเป็นร่างนางกินเต็มเต็มข้าวลอดซ่องขนมเส้นทั้งผองกินทั้งผองหอ่อพดกินหลายมากกระดอนซางบะท้องแตกตายเถิด กินได้กินดีต่มือหัเขาต้มมาขึ้นเบิ่งปีงเหียนไก่ขี้ติดกันมีจากสิบหลังคาเรียนมือใดเปข้าแเลง้งเบอร์หนึ่งจจกเทียรบหนึ่งจจกเทียเมื่อใดกัมาแล้วแล้งเหียนเขาเจอาสีแด่วการแล้งานเขาเลียกตาใสกับสกบสิงตาเบอตัเหียนใกล้กันก็ไรขั้น่าสีห้าสีว่ากับมิตพีแต่นองสร้างหังหวกกบเนบาาเถาะตั้งพจเฮ็ดบุญพแห้งสกเลวาจัสีเราไม่แดงเซพดเมนโพส บาดนี่มองสันกุ่ม อ, อกกุ้มใจหลายสันหุ่นห่วยแหงหลายเป็นซุมผู้เฒ่าบัดเนี่ยซุมผูส้สาวบันพรอนใสนี่ล่ะ เ, เออนมาซอยการซอยงานก่ยากหลายคันมาล้วก่ยากหลายนั่งปอแปดหลงอีแพงหาเข้ามาสูแมกินเดอีแพงคันกูไ่ได้กินขข า, ากินแปกวมีเฮียมีแหงแค่ด้งานหันพัต อ, อสบายขันบักิดซื้อก่ยากหลาย กินห้องถ่องห้องใสมาที่เห็นตะ ข, นขันเจ้าของก้อนกรบอเปิดเด็ยานแต่เขาได้ลืนอันสุมโพเทาหันไม่ไงแดงหันล้วปิดหัวหน้ามู ก, ก็ไดขั้นมาเล็วก็ยากอีกเด้อล่างากนน้หมากผูบุรีเตียงขาบนถือมาน้ากัตามากนะเขาเลี้ยนมาสั่นหัวสักหัวขวมหามากไม่เคี่ยวกินเขาแล้วก็ไดขั้นกินคาร์บองาอีกเคี่ยวมากแล้วก็ยากอีกเด้บลาเนีย่ยาค้นา้ำหมากมาี งาดน้ากระปูกระปงท่มน้ํามากน้ําไลกระเบ้เตรียมมาเปลีนหาทั้งแก้วหาให้บอทันนั่นเกีวแล้วก็พูดแม่มันเตี่ยมตเต็มเต้นอยู่ฮั่นแม่วันต่อมอยู่พื้นพือยู่ว้าอุเบกุนายแหงหลายเด้อผู้ต่อบ้าน่อใสจะเป็นบระหูจากความแหงเด้อไงยอนกินข้าวเฒ่ายอดเกิดตัวซื้อตัวเน่ยสันดกว่าคืดในใจก็หักเ่ากล้าเบ้าออกไปดอกสังหลายบ้านนี่มองมาสังแหงเนีซุมสังสุมแม่ขัวบัดเนี่ย อันสุ้มหัวหน้าแม่ขวดเขาบอกแต่ต้ามือแล็ดจะมาเท่าซู้มมือนี่กระยังบอบจกจื้อบอกจำเมือเศร้าก็ได้เอินมาจะตีหาผู้หล่ะใครเป็นหัวหน้าแม่ขวยกมือขึ้นมาสั่นน่ะยกเพื่เว่าขึ้นก็นแล้วบอกว่างางข่าวมันี่งานข่าวมันี่ชันสิบอกเด้อเวลาพวกเธอจัดขนมนมเนยขนมสินข้าวต้มอ้อย่างการตามสร้างใส่ถุงหยอกถุงอยากให้คนมากินมาทานนั่นขนมเสิ่งจะเกินสามติวนะบอกไว้สูจื้อไว้เด้อ ประหยัดซ้อยกันสันดกวาดนะประหยัดซ้อยกันจ้าจ้าแต่ตนตอนหน้าเขาไม่ยาแดงเอ้ยขันหลับหลังเขาว่าสันขันลูกขันหลานเจ้าของมาคันพีขันนองเจ้าของมาใส่แมยไม่ชะละเคืองรมให้กันะจากวันนี้จากว่าหยังเหล่าจาปลาปิ้งถั่วลอยสันมะโนมผือผุดว้า่างเปลี่ยนเถอะแม่คว้าซุ้มนีแม่เนาะช่างป้องหูจากความาเถอะบานีสันดกวาดเวลาตักอาหารกันจินเม่ยไม่แดงเอ้ยตักมาให้พี่แหนน้องหัน ตาเก็บบ้านล้นถ้วยล้นวงเลยเพราะว่าเปลี่ยนต้มเป well, we uh ็นลาดเป็นกล้อยเป็นแกงกระป๋อคือว่าเฮาสิจีหายไว้วอดเดีฮอเป็นเจ้าภาพกะนไรเม่ยนพูดเมีนโพสะเอาเลยบัตรปลาเด้งงามบ้านพรอนไบ้านสนามไซบัตเอ้ยมาห่มกินเลยมากินป่วยมันจิบหายไว้วอร์ดบังดูมามากินเลยมากินเลยมาสาทูเมะซาทูเมะมันมักอยู่มากินมันขีแตกขีแต้นเปิดบ้านเปิดเมียงไงด้อย เรกนายงหลายสงอ้าวเพียงไหงอ้าวอีหลาไปจมให้ผู้ใดอยู่ท <Philadelphia. S 1> ั้งพุ่นลับตาเพื่อพือเพอย่างีิใสผู้ใดอยู่ทั้งพุ่นกเดียวนี้เลือกตาใส่เข็ดทีนี่ละอ้าอีหลามาสั่งเป็ีนแทสิไปเรียกตาใส่เขยดใส่ข้นจังดหลเพยงสีก็เรีอกใส่งตัวขันมาแล้วขันกินข้าวกินตากินทานแล้วก็มาพักกันเมียบ้านเมียซอง นั่งเตีมโตเตีมเตี้ยจุเนี่ยไอ้เย้บัวเอากรธทรมาดาอีลาเอ้ยกระบานเทาเป็นบุญศิลปินท่านรรมดาพี่น้องป้องไปเพิ่นกระตุ่มกระซุมจังสีลาบ้านใดเป็นบุญก็ได้มึงบอกอุนอกอุนใจตีพี่น้องป้องไปมาหลายนั่นะแพ่งสีเย้บัวเออเจ้างไปไลุ่มนั่งยุทธหน้าบ้านออกแขวะด้วนั่นนะเอา ไปไล่ดีไปไล่ไปไล่ดีเดี๋ยวนะแหงสีเออมองท่านขอให้สุมเจ้าสุมนายผู้เขาท่านลอยท่านพันผุุมพอกำนั้นพอออกบ่อต่อพอย่บ้านสุมคูสุ้มตำหลวงผุนอันสุ้มทานสิทัานห่าน่ะอยาให้มานั่งในเฮียนสันบอกมีนั่งมีนัไม่ผให้ไปเอาอีลาอามึงเกิดไปเรียกสันบ้านนาคักปนันเทไม่ได้เรียกไม่ได้เรียกบ้านนาก้ฮู้บ้านาค้ฮู้บเกิน20บาทอันทานอัน ไล่หน like ีไล่หนีไลหนีไปปุดไปนั่งอยู่โฮมพุ่นอันส้มเจ้าส้มไล่ที่เฮาเซิร์นเพื่อนมาหน่ะมันบอกท่านใดๆเวลาเดี๋ยวนี้มึงของก็สี่มงหนึ่งดิสี่มงกว่าหามงกะสร้างไล่ออกไปแต่มันสิโซกกระโปกขันเอาละเอาละเะจะเสบ่าดูเบาหนักปันนั้นส้มแหมก้วเนี่ยเพิ่นสิบจัดการดอกอันบองนั่งมองเศ้าหน่ะนะเฮอ เป็นทั้งสั้นติเออป้านหลายยางหลายเนี้ยป้านตีไอบัวมันยากปานตีมันก็ยากจังสี่ลบ้านอะเพิ่นเป็นบุญศิลกินท่านมันก็เป็นจังี่ลเอเอ้ยแพงสิทำความสะอาดให้สันเด้อเออเอาเอาสูมคว้าเนี่ยเพิ่นจะมาจัดการหนทให้มันสะอาดสะอาดขีอนหมอหัวสุ้มกคว้ะเบงอันไอีกอันเศร้าเ้าเศ้าจม้วเบงว่าพี่บาพี่เป็นอังไรแย่เอาสุ้มกควาเนี่ยเขาถามหาแต่โดดเล็วทำอีอย่างอีกแบบเนี่เอาลาเอ้ยอันไหก็เบิดกะเบิดแนวสิใส่ยูใส่กินน่มันเบิดแรงเบิดอสไรแย่บ เกิดวอาบ้าบอาให้กูสูนแหงเถอา มันก็ิไฟเปิดบากันแล้วก็เดียแฉ่หมันไปแฮจังไหนสุ้แม่ผมไปซ่าใส่กี่นินเล่นติมันก็คือเบิดไฟแต่ผงสุรถทำนีบัวนะมาสั่งเบาสั่งบาแเก็มาใส่ต้มใส่แกงเนี่ยพวกด้๋วไปเปลียนบ้านจักรสันน้องเอค่อยคือซื้อมัดจังหวะสองห่อพุนมันก็คือเบิดไฟเทบัดเนี่ยห่อนี่มันซื้อมาดตะมือไหลซื้อมาดตมือห่อเขาต้มผุนตัวเ่นเขาแบประหยัดทัดมีเปล่นห่ออะจักรบาดห้อราคาบาดตัวซื้อมัดโอ๊ยเปิดตะมือห่กเขาต้มผุน ไม่ควา้าตาปูสมุนเนี่ยเอาอีลาจะสบายเาไปโจมจากสั้นขั้นนั้นเบิดแล้วเข้ากะหาไม่เพิ่นไม่มันกะแล้วดอกหากับว่าได้งากดอก คุณเจ้าไปกลางบ้านไปตื้อกางบ้านผู้มีไปไปเสยนไหมผงสุรรนันเอาบมีเงินไปซื้อเอาดีละมันบะฮันในมีดอกเงินค้าตับเจ้าบันในเกล็ดในเบิร์ไปเส้นไหมโรดไปเส้นไหมโรดเสนสนเส้นไปเอาผู้ใดไปเส้นก็ให้เจ้าุ่นต้มไปเอาซื้อไผบแบบเนี่ยเจ้าไปเสยนเก่าซื้อเจ้าตัวใหญ่บัวเอาเศ้าเด้อเศ้าเด้อเศ้าเด้อกูมัเป็นอย่างมันเป็นอย่างเอาบ้านเมื่อกูอยู่นี่เขาบอให้เส้นดอกมึงกะหาบอหาบาไปเนาะเฮออันเส้นสุซรตหาบาทกระสีบักกาเส้นเทนนน้หันติเดานี่หัน เกีย่อนี่ยก้กล่อกันชีออกเกียกอมไ่อกน่คนตดหานฮะตจังหวเป็นให้เป็นโพดเป็นโพดมาสุงกันไรมาโพดมาโพดก็นแลก็เสียบเต้าเต้าเต้าอไปไปไปไปั้นมาลงซื้อเจ้ากับไปเซียนไม่โลดมาจังไหไปเซียนซื้อข่อยลงก็ได้ดอกไอ้ไปนางแพงสีสายกันทะคามเป็นผู้จ่าย แล้วการแล้วงั้นฉันจะไปจัดการเอาดอกเฮ้เปลยนหเปนี่ยนเขาคือวาตะกุลนี่ขี่ที่เหนียวนีแถวผู้ใหญ่เส้นอยู่บ่เอาผู้ใหว่านนี่มันคือปากเปลี่ยนเนี่ตอนน้าไปตี่ตปากมันเนเป็นอย่างระจักไหลนยิ่ว่าตาซันตัวมาัเปลี่นกระดอกกะเจี่ขีที่จังไหน่เห็นเลยเห็ดปูเ็ดทานกันน่แม่กินจะเบิดปื้บเป็นเอา่้ะาดูเาหาวปนันลยังเีเอ้ยแล้วเบิงแม่ยังอันซุ้มนาปูนาปลานะกะเบิดจ้านางนาปลาสาี่ขวดอันเบิ อย่างละซุแม่ขัวมันก็สิเบทไว้แต่เอ้ยก็มาใส่ต้มใส่แกงใส่น้ำยาขนมเซนใส่ต้มใส่เนื้อใส่ไข่นี่ละนเอ้ยเดี๋ยวนี้ใต้ตะลงเียงน่ะคือใต้เียงน่ะนะนี่ต่ขดเป้าๆสารซีขอดเบิดเอีหลีตีอ้บัวมันก็เบิรแเล้วเฮ็ดจังไลยลบัตรเนี่ยาเอาตั้งเปี่นแถบบัตรเนี่ยไปเส้นมาพร้อมกันบ่เดี๋ยวนี้บ้านพอนใส่มากินเค้กั้งตัดสั่งปอบมันสมาใส่เค้อันใส่เปี๊ยเปิดบ้านเปิดเมียงเลิอันเด็กกับบ่เมียงมาขึ้อไปถบา ้เบ้าใส่ละแพงตั้งยืหัวปานนอนสันพื้นขวดดาปลาหันภาษาว่านหำปลาจสกับเสียงไว้รับไปดีกระดดมึงก็ได้ไวไเนี่ยเส้ใจซุมหัวหน้าแมกลัวไม่แหงลอยเก่งหาบ่าวหาาสิเอิเขามาเฮ็ดเห็นอยางเอาเอิมาให้ขึ้นไปตั้งเฮียนเกาีเห็นสิเงของสตั้งปนกันไหวยหันยุใสว่าคกจากสะไบจากว่าเหลาแดงเหลาขาวหันขันเออเอมันถือกาได้ยีบัวเอากายงรอเมจาลุงท้องกเข้มเข็นะะสูกินหันที่พรรกับปลาหมึกเจ้าเจ้าห่องสันลกมาเถอ เขาว่าจะกินย <m ik ong> ้ำแล้วบุนพุ่นเอากูสะไปหาดอกมึงจะเ้าจะจมดูหลายแท่งซีเอ้ย เดือบึงเอี้ยงบังไหนนันเอ้ยยางไปทา้งขั้วกระเดี้ยนเขาเบาเขาจมกันเบากันอยู่ตัวละเขาวอาเลี้ยงอย่างไรยายบัวว่าเฮ็ดบุญศิลปินท่านเฮ็ดบุญหาอีแม่ข้างนี้คนแขกยังมาหลายกระดกกะเดียดแท่เขาขยองสันเออเขายองมึงอยู่ก็ดีแล้วก็เฮ็ดไงเฮ็ดตเฮ็ดบุญหาแม่จะกอกเนาะต่วันส้มหนึ่งเขาบาเบาจังสันเดลามาคือมีหลายสุมแต่สุมไหนสุมนางยุติรางบุญแลาบุนแมนั่งนาดนนาขาว มามวแมนเบิดตีไอ้บัวแมนเบิดเลยแวคำว่าว่าจังไหนเพิ่นว่าว่าจังไหนได้ใหเพิ่นเพิ่งงอสันตีค้ามเพิ่นวาเพิ่นวานันข้นแขกอยังมาหลวงมาหลายกระดอกกะเดียตีเราแขกเราข้นจังไหนกระดอกกะเดียตเลี้ยวเบิ่งยังยูหลังกินเนี่ยบ่พอสยูสกินกันเพิ่นว่าจังสีในหลาเพิว่าจังสั้นเฮ็ดยังกะเฮ็ดบอกของบอกคือเฮ็ดผสมงันใหญ่งันตัวเพิ่นว่าจังสีนะันเพิ่นว่าเจ้าภาพนี่ขี่ที่มากวนเฮ็ดบุญ่ะซิบอกสันดุใหญ่นุ่งเสียสีไหนุงสินตรงไหนทัน บอกหันดูนูใส่ดิใช่เสียแดงๆนั่นกระเบนนั่นนะนั่งจะหั่นนะเสียซีกบุ๋นั่นกระเบนนั่นั่งจะหั่นเบิดจุ่มทีบ้ากันแระบนเบิดนั่นนะ้วมนะป้ามบอกเป็นตะเหลี่ยงอกเหลียใจกระดกกรเดี้ยเทกระดกกระเดวอรล่ะเพื่นว่าหัวดำหัวขาวพอเียพ่อแหงเหล่าเด้อได้ไพ่ได้เคยเหล่าเด้อมาเอาบุญเด้อห้มาเ้าพื้นเจ้าภาพเด้อสิบอกไปเด้อขันมาอยากกินอยากกรหายยั่วให้กินเบิจุ่ปากจุ่มคำตัวมสั่งสิปากเป็นอิดอ้อนกระด น่งยูหันส hey, ิปวคนไหนคอยทานมาเจ้าได้ตอบมันเจ้าทานน้ข่อยหลปนายไหลไปไหนเกาะฉันเพะใจกระเมาขึ้นเลยมันันเมาขึ้นเอาละเอาละโอ้ยเมาขึ้นเลยมาสังเมาให้ศูนย์ก็รอกั่งเียสดมาเป็ยนแซันเดี๋ยวน้องไป๊บเลี่ยคอร์เ่ท่าาดถอะปาดเถะใหญ่เลาเด้อใหญ่หล่าจะไปว่าไปว่าแจ็ซันอยากายแขกอยากอคนมึงกรได้เนาะเือมันก็ศูนตัวมันสูภาพกันเปลี่ยนที่ย่างู้2คนนี่แหม ได้ย <peque> <c oughs> ินแต่เสียงว้ากันมาโหลดโจดเจ็ดพบปนปืคนพิดกันเถียงกันแท้แม่นผู้ให่บานยังให้สูสันบบแพงอันซุมนั่งทั้งทางเจ้าดาเปลาพื้น่อยไอ้ที่เป้าว่าจังได้าก่อเฮ็ด้ำยูน้กินบ่าเพียงเม่อพอพี่จะถวยเป่าถวยเปล่ยนคอยขีที่ขี่ตั่งปัสสนตัวมึงก็เลยเคียร์ว่าตาเกียดสิเตีนย่องขอพ่ออาล่ะเอ้ยที่เพิ่นเปลาจังสันบ่เนเพิ่นเป้าพืนเด้หลาเพิ่นเป้าความจิงตัวคว่ำจีงมังไนอี่ก็คว่ำเจียวจีงอันต แน่ภาคเข่าภาคป่ามันบ่มีอาหารการอยู่กันจินเดานางมันมีอย่างสันบ่มีการด้วยเป่าแขกเรือที่มานํากลนที่หลังเปิ้ลบริยาบบริจิบเพิ่นกะเบ้านันต้นน้องเฮืองอาแมันกะบ่มีแต่ถ้วยเป่าหันตัวเจ้ากะบะสังเกตมั่งหลือเจ้าบะสังเกตมั่งหรืไอทีสังเกตเบิ้งผู้ดสังเกตตั้งตามากขันมันบ่ได้สังเกตยากดอกในตาหมากมันกะสิเมีแนวเขี้ยวมากต่อนั้นลามันกะเมีนอยู่แนวเขี้ยวมากสังกะบ่ได้ว่าดอกไอทิดเลย ขันมานั่งปอบแปบลงอะสองคน้นสามค้นน่ะหาเข่ามาพร้าหนึ่งอ่ะตั้งตาบากไปทั้งขางหันเจ้าก็สังเกตเพื่อกะคักได้ตึงเงี้ยคั้นกินเขากินปลาในอิ่มหนำสาล้านสัตว์่าให้ว่าได้ว่ า, ยวาอย่างได้อ่สัตว์ไปสังเกตบ้าน กินได้2องคำสมคำหัวกมาวขัาวสันยูเฮียนฉัได้กินอย่างนอหลานปู่ฉได้กินอย่างนอการงัดออกมาจิระทงอย่างในตาบากันเอามาเห็อย่างเอากระมาห่อจากวลาดจากวาต้มจากว่าก้อยจากว่าแจงขนมสิ่ก็มาต้นตนอ่นหน้าพ่อผลตัวมันกะบีตะหุ่ยเป่าตะคนหอเอาหันโอ้ยมึงกะบ่าโพดเบ้าเกินว่าบ่าโพด้เห็นกับตาเห็นกรบตาเห็นกระตาตาบ้าหลาต่ว่าเน่าอยู่เน่าจีนที่เพื่อนหอเอามันเป็นเย็นเป็นเด่นตัวลา เพิ่นจีนอิ่มแล้วเพิ่นจังคอยห่อเอาขันเพิ่นบ่อเอาเมื่อสิบแผงแม่แต่ผู้ใดจี๋สันไปเฮ็ดแม่ม่ดอกสันเศ้าดอกนี่อไทีดมันเศ้าบ่ได้เศาได้เพ่เอาไม้มาเอาไม้มาประกาศเดี๋ยวนี้มอสิไปญาติไม่เพิ่นไม่จังใดเพิ่นกาลังสิบใบผ้ารับสินไหผ้ารับสินก็บปต้องวายเอาไม้มารอฮัลโหลดังบอยเทียดฮัลโหลฮัลโหลฉันแทงสีสายจันทหาวจะภาพใหญขอประกาศนะ วันนี้น่ะปูญหาแม่ข อ, อยุติเพียงเท่านี้ไม่ทําต่อแล้วจะไปนี่หมดทามาตักบาดมือแรงตักบาดมือแรงเกษตรทิ้งไปเลยก<ว>ูไม่ทำต่อแล้วหยุดเดี๋ยวนี้หยุดหยุดเซ้าเบาเดี๋ยวนี้แพงเอ้ยมึงสิตักบาดมือแรงจังไดเอ้มันเหตุบอด้มันเสี่ยงเสียบอะไรมันบ่มพผะมารับสังฆทานไปหมดหลวงพ่อนี่ยดี๋ยมาองหนึงกับทาวายท้าหลับก็แรียกของตัวไอ้ทิศ โอยมันเห็ดบดได้ดอกบมันบ่ม <linear> ีพ <resolver problems> well, so well. <run> right? <re ้าที่ใดที่สิมันลสังคท่านเด้ยเหมือนแร้งนั่นน่ะมันยังเหมือนเส้าปู่นตเจ้าคนเป็นน้ำตักบาดรหยามันงาดเส้าเห็ดใชที่เส้าามันบอย่าดอกซ้ำนี้นึงนั่นน่ะเพนเส้าบดได้ดอสูหยาดสูเหนีวมือนเุ่นไหนจังไปเ้ามือนีมันบ่ท่านเลาเพราก็ไเด้เครื่องเหมือนันเมื่อเส้าไปจังไปนั่ละขันเห็ดไปต่อไปีกกระสีบาวืนบ่าวกนไปคือเกาบาพราเพียงเพรพระคือเกาหันตัวมันก็เป็นน้าเมืงนั่นตัวหรือว่าเป็นน้ำกันเป หรอกูปอ้มึงอ้กูก็เงแม่มันเดมันออกไกูลัเกพันั้งเ้อกูเดเงืด้งมันปันอ่ะเนื้ออ้ย่เนี่ยอันหัวมึงกแห้งรดับตู้กูออกซอยมึงเจมาสเตอนพ่อเพันกับชิดงกูบอกว่ากูมีเงินมันมีเงินมันกลมาเขียวมาขอมามีเงไแต่ว่าเจ็เมื่อน่ะ่าขันว่าพินซือพินเสียก็ว่าให้กูเป็น่ยนภาพใจขันกูเปลี่ยนสภาพไงล่ะกูวาอย่างกับว่าถือ มันกับ่ถื่แล้วค่มันสิ่งมาเบาจริงสมันกับบ่ถืกตัวเป็นเจ้าภาพแย่เจ้าภาพรักกับบ้าสิ่เสพเท็จนี่ยกเนี้ยเอาเดือดป่าเอ้ยมึงมาสั่งเปล่นพ่อซํานี่แต่นอกัดเนี่เอาลาเอาลาแย่เลยอย่าหายอย่าจมอย่าเว้าอย่าจบไปห้องไปหายยุเพิ่งอย่ามพี่ล่ะอย่ามาดพี่มันได้เวลาเหรอเด้ไปยังอีกเอามันได้เบล่าพาเพิ่นเทศแล้วเทพกับมดนเพิ่นเโลดมันเทพบนไดคอยย่างขาไปว่ได้ดอกเอามันเป็นนิยาขอเหยียบหัวผู้เท่าซุ้มเนี่ยเอา มึงสิบปวมาจุดตูบจุ่เทียนไหวพารับสินสะกอนตีแพงเอาไอทิศเจ้ากระเป็นเจ้าภาพรวมคือเกาหันลาเจ้ากเฮ็ดกระท้ำโหลดบอบหนาที่ให้เจ้าเป็นเพื่ผู้ทั้งโดยไอทิศเด้อเอาไว้จังสันตีจ้าเออเอาคันมึงบัถนัดดันนี่ไอกรสิภาพผู้เ่าผู้แก่เพื่อนไหวพารับสินฟังเทฟังทั้งดอกส น, านา่างจ้บัว อีแงสีจักว่ามันเป็นจงไดดอกมันเบาบฟังกูฟังคว่ำบาฟังตอยฟังคนมันเน่าเหลาคือจัน้อยขึ้นดียวปุ๊าสมันมาจุุกยู่เทียมันกะว่ามันยางมากบ่ได้มันว่ามันยันเหยียบพูดเถ้าเบงหน้ามันแดงจึงคึงเบาจมบเบงหน้าเพราะฉะนั้นให้มึงเบืงเอามันเด้อล่เด้อเบงเอาน้องเบืงเอาน้องมันเป็ยนแงสีล่ะขันหม่ามันส้งสิบอสร้างกะหาใบบักสีดาแม่ดมเด้อล่เด้ออาเ่าเป็นยางอก เอากูกว่ามันมสีเศ้าจมเศ้าเบา้าว่าแล้วอีแพงปลาแซวดอกไอทีเยี่ยบัวเอาว่าตั้งเป็นมมเป็นจ็สันแตบกมันมื่กินเหล้าเมาอย่าทิ้ดอาะฮะอันกินกับเงินข่สือดอกจะไม่ยากน้ำข่อนเอาเงินไผซือมันก็บบเปลนแต่กินขันกินเมาแล้วมันก็เปลนบาเปบจังสีลบเบืองหน้าไม่เมาูไม่เมาข่เปล่าเมาแต่เยี่ยบัว่ขอยังมีสติกูไม่เมาอูไม่เมาอีบัวกูไม่เมา กูไม่เมานี่หน้าที่ก่อเหตุการณ์ไปจัดการไปเจ้าบัตต้องมาบุนมาไว้น้าชีวิตของข่อยข่อยเป็นเจ้าภาพใหญ่เด้ออีแพงสีสายจันตาขาบเจ้าภาพใหญ่นะจะบอกมึสร้างเสมาเป็นจ็คสันแทบแพงเลยเออันมึงบ่อายแขกไอค้นไยเ่าอายแก่อยู่ติอีหลาไอผู้ใดไอผู้ใดบอายผู้ใดไอผู้ใดอันผู้เถาผู้แก่ผู้ผลหน้าหัวมุนหัวท่านน่ะเหรออันนั่งหัวดําหัวขาวจะมาแมนพ่อแมแม่กูจะคนเด้ออีบวัวเด้อก็บดินเด้อแต่งออเด้อ พอใจอยู่กับยูเดล้ยวพอใจยู่กับเธอหนีเลยไปหนีมาสนใจปันนั่นเอามาสัเสิมาเป็นพ่อสำานีเที่ยนี่แมเหรอเป็นแม่มันปันนี่แหละกูขี้เอาละอีแพงเลย คั้นมึงบอกไอแขกไอข้นไอเท่าไยแก่มึงก็เกียงหมกเกีงไนะเกยงใกผู้ใดหยีอันดวงมิ่งามของพ่อเขาแง่เขาประเดี๋ยวอันเพ่นีบอกว่ามารับเอากองบุญกองกุศลนะอันบุญเฮงข้างนี้นสยาูนเป่าเดีนงแต่เนียเทปุ่นหาอีเม้นตัวคนจะได้เฝ้าพื่นเฝ้าขวนกูยุ่พอาะปนนี้ย้ำหมือเว็นกูะม้พาปะเทศสามทานย้ำาหมือนล่ก็ไปจ้างมาลปอนซิตัวมา่อก้นั่นคนก็มามกตาลายตาป่านี้ตัว ขันงิตวิญญาณอีเมมาขันบอากูบ่งงดเด้อีมกบงดเอามึงบงดบมึงจดนกูที่อดิ้ให้หมาไปเลยกูิให้หมาไปเลยเอาตเอากอีแพงตีเอาติเอามาตีมาพดมาพครับปัญเดลัะแพงสีมาขึ้นง่ะคือสาสั่งตาสังปอบันเจตายเพื่อหาอยู่หากินเอาว่เป็นตี มึงอยากำเต็น้ำลุกน้ำเต้าแล้วก็เรือยมึงละางเลยอีแงสีเด้อะางหงะบังปากละบ้งขอมึงแมึงม like ึงสุกลมึงจมเด้อลูจมอีหยังมึงที่สร้างยูสร้างกินบ่คุเด้อ้มึงจะกเจ้าสั่ลจมแล้วอีบอยได้เงินได้งอตมันเป็นตัวจ้ไหบาปกันน้ำต่อมาสูบยาทนทวนมาบะมาสร้างโพดสร้างโพกแล้วก็เรเ่อยแถ่มึงอ่ะมาสร้างเป็ดสั้นแถ่แอ้งเลย มาสั่งสมแม่หักแม่แพงอะไรอรเพิ่นกรมอหมึงเป็นเลือดเนื้อกายใจุมึงจะมาไได้ดอกาได้ขายมาเ็ดปุ่นกึเก้าะล่ะจะมาปากมาเบาอยู่นี่เลยอี๋ัวฮะทารับมึงเกงมเห็ดยูเียนมึงผุดไ่เห็นปุ่นยางมาปากมาเบาคอนเสีหัวมึงนี้ไม่บัดนี้ ลัคน์คำจะคำบ่ละละซ้ำน้ำความฟางนองสาวมัน หอดเกอโอ้ยหอดบ่อจำหอดบ่อเก่ยันยนไัยสำเดียดีละพดมันนี่ว่าจิงลา และเที่ยงหัดเดียวโอ้ยเที่ยงหัหัดอาสาธายานกากาินละละจิงเกินตัวจิงเกินตัวปดพวโ ยื่คัมเอียวมือนางลัดจ้อนเสนเทียงถือเทียนใสจากมันจึงได้ผู้ใดเียงกับอ้อนจนตาจีพรลอบันมาม่บถูกแลี้ยงลัก làp h ê n người em n ôi b ỏ ai q u a n g b ỏ ai cù súng mùa thu o ạ thầy muôn tháng ba đ u áo à búa nhà b ú phong, áo, phong เอียงลักลักลามาเลือใจเทนอลามาบอสมเอ้ยพี่นี่เลี่ยงอยากอยากเอโนเอ่อเอ้ยเป็นฉี่ขันข่าหอนอุ้มพายนอเกียน่องบ่าคว้างเลี่ยงสอยเมียนเล่า และคำเอ่ยคำบอกเคยสอนให้ก้าวเดาบอกสอนสั่งแต่เนื้อดีและมีสัมมาคารบวาบอกคกนเสียงบทยังตวงลกะไงเป็นพวงเป็นพาวลังสวง กันผัดแก่หดโอ้ยขึ้นมาไข้เลือจอบพบคำมเียงตตพสาลัเจ็บในสวปวดจาวา แดงฟางย้่ใจแรงนำตาใจน้องพงหญ้าไอ้ปวดนุ่บางัรงแรงชิดขึ้นมามันปวดหนาวเก็บในในใจเอือยเพียดน้อง โอ้ยเพียงเอ้ยแพงสั่งเปลี่ยนคนบอดีสั่งเป็นคนบอสั่งมาการุายาพนละละละคำเอ่ยคำให้คิดเห็นมีเาพูดตายพูนเดือดุณนองเพียง เสียงแหลกแหกคอยพูดยาท่าที่ยาพูดใอยากายบ้านล่แลและคำอวยคำยาสุพรรณเลือกมองล่ะหจ้องห่วงไหาเสียับุญ โอ้ยอยากพิสกันใสมือบุญและลุงต้นเมี่ยงเนลานเอาสา Nam พี่อยากใังลางละบ้านเมืองเป็นเสียบ้านทีายบ่ตทุ่มทอมเอากันได้ลางลมไอคำบานพี่ใช้เฮา เราสิอายพวกไทยคุ้มลละเสื้อบ่งบานโคดจุมลละุมเเอ้าเขาสียน้อยเตะใดอ้าเปิ้นเคยย่องลับเิ้นได้สองบาดบาบืนพ่อเมียเหล่าใดขามากกว่ากันละ ลาแพงเอื้อยแพงให้ยุดอิบยาตํานันดาเชียดเชิงมุขส่วนให้แล่าบุญของเฮากวนทอโน้ยกลอนดองละงานที่มองบุญติีสาวดวงมินยาของเมียเา คนทีเอารุกขอังกอรบุญสางพีังลักลักลักลักอันนี้งทงอีบันดาไทยลักลักลักักเสียบฮ่ถึงเหลวละน้นลักลัก <laughs> oh. oh. เพียงสำนันจะเขียดเข็งโมโหสูนให้แล้วบุญของฮู้ก ว, วทนทอนอเอื่อยขอนองงานสีมองบุญสีเศาดวางวิญญาณของแม่ฮู้เปนเสียเอุกอั่งในละอันกองบุญส่างสีเพ่พังอันนี้สงสรงให้มั่นดาใต้สีบดถึงเดนอะงจะสะเป็นจังสันทะออายบ้านอายเมืองเพื่นเนีย่ยอีลาเศ้าเบาเศ้าเป็ี่ยนจ้า มึงสั่งเสรมาเปลนพ่อสานีแถะแพงเอ้ยมึงไงแล้วเนื้อไอแขกายคนายพีไอน้องพี่น้องป้องบ้านเมืองเสียงของเพิ่นสิเก็บไปวาวเพิ่นเห็นทาควรนืะมึงจะสามารถเป็นจังสันพ่อานีเแพงเอ้ยอันลูกก็ได้พ่อแห้งแล้วัวก็ได้พ่อแห้งแล้วมาสั่งสรมาเปนพ่อสามีสั่งมาเป็นพ่อานีแทะนั่งเอ้ยนั่นละขั้นเอือยขันพีบอกดีแล้วให้มึงฟังเดือแพงสิเอ้ย จะตั้งใจตั้งคิดก็นั้นให้เฮ็ดบุญขอให้ได้บุญแม่ห้าวผู้ที่ตายไปแล้วไหวชี้ว่านี่บทสิบโมาเอาส่วนบุญส่วนปูศสนเอลาเป็นอย่างไรเอ่บัวจะมาบอกมาโจมอีอย่างก็กตกรี่เทอทั้งห้องทั้งให้ให้หาไหให้หาสิแตกอีอย่างเอาเจ้าเป็นเจ้าภาพน้อยตัวเจ้าสิปีนั้สะือนสอนีอยังน้าหัวตับหัวปอนไปนั่นค้นนั่นมันมาเป็นผีเม็นน่องเขาจักค้นตัวมันมาเป็นพีเป็นน่องของตัวสุมพี่น่องป้องไปเขาก็ตั้งหากตัว เไ่ได้ซื้ออ่นสอนไปนั่นหรือยยบัวเด้อเอิ้นมากินมาทานได้บ้เอิ้นมาเฝ้าเพื่นว่าขวัเจ้าภาพะปั้นนันเนอเอาเ้าเพื่อนมันก็อดเอาเป็นอกกูบาอดกูอดเป็นิสเต้นย่องคอเรอเมื่อนี่ัลอันเ้าจังเฝ้านี่ยมึงบอกไอีแพงสีโดน่ะเยอ้ยังผู้ใดอายไอ้คนออ้พี่อ้ายเด้อย่บัวเลย ใครบ้าจ sure. sure. ังส hey, hey, ี่เจ้าอายคดสติอายเหรออายเจ้ากดีสต right. ีนี่เมียบาดบงติอีบัวนี่สตีเฮ็ดบุญหาอีเมสำนึกกูเฮ็ดได้เดกูบ้านึงนิดนึ่งหอเดกกูเฮ็ดเอมึงมาสั่งสมาบ้ามึงกง็ดหนึงเดอมึงเ่าคืนมาเงินันะนี่เลยขันมึงอายมึงหนีเลยอีบัวอันนี้มึงกับเป็นน่องกูเด้อเด้อก็นนองมึงอันผู้ที่ตายไปกับเป็นอีเมีคือกันเด้อมึงสั่งเสีมาบ่าวจอบบ่าวมอมอพสำนกแต่อีแงสีเด้อบ่าวแบนแดงจังคอยมีสิทธิบ่าวสู้ยางสู้แน่เฮ็ดบุ เจ้าจะมขนเสียงใส่ก่อนเด้อเจ้าจะไมขนเอา่ว่าขนส่เสียงแล้วมึงเยางมึงมเปยนพ่อมึงหยุดเดี๋ยวดเดอีเพยง่หยุดเด้อ่หยุดเด้ออีบัวเด้อาสงสกเกยงัันนั่นกลูกเี้ยนปูต่ได้าเดมเกิดกอนูปีเดียวาสปานมสงมาเลยเอาที่ตปากนี่มาเลยเามาเข้ามามามึงดูเ้ยเอาอา มันสู้ภากันเป็นอีหยังกันอีสองคนนี่แม่เหอหัวมันแตกเรียหัวมันออก่งีมันสู้ากันเป็นบ้าอีหยังจังคอยมตีมาดขากันใส่งานของเจ้าของจังซีเมษเมพนแบันแทบเมื่อเพิ่เหลือเบิ้งซืบเลืบองจูพนุจากไอ้พนบ่อ้อ้จอันไดอีกอีบัวมันตปากสมันตากเสโอ้ยมันกระตงคนตางตีตางคนตาง่านั่นละมึงกระหอบขีดินไสบ้านใส่หัวมันคือกันทั่วอีบัวน่า บ่หอบเตยจังเหน่มันม่ให้มาว่าสัตตยแม่แมันปากเป็นได้ยี่เมียซะอีบัวเนี่จังเสี่แล้วเสียบเสียปูดายกับบ่เปียบที่คว่ำขีลายเปียบใส้แม่ของเจ้าของน้อมึงกระได้เอาละอาลาแพ้เอยยทั้งอีบัวนันละอ้ขอน้าสวยเลยไอ้ทลยจะสับเป็นเรื่องเป็นเหล้าจะสัมีเหลืองมีเหล้ากันทอ บุญกบุญน้ำการเจ้าภาพกับเจ้าภาพนั่กันสิมเหิจังสิมันกระักไอปีกระยักอายน้องตัวหัวเข้าไปถึงใสกระไอไปถึงหันตัวลาขั้นสูบกระยักไอสูบกระคืบป้านคกูะักไอแหนเฮงบัวมาสั่งผลสั่งโคตรแต่กูสิดตั้นแฉงเน็บโอ้โหน่าจะเอาละลาเอ้ยเรื่องมันแล้วไปแล้วมันแล้วไปซะ่าถือโทษโกรธช่างกันใสใสกัเป็นเจ้าภาพเจ้างานน้ากันนันล่ะ ไอ้ขอน้าสูหลายๆทะลาเอ้ยเทิ้งมึงนั่นล่ะอีไงนั่นล่ะอีบวนนั่นล่ะอีแพงคกือกันไอ้ขอน้ามึ้งหลายๆเถาะน้อล้าน้อแพงลบปากเอาเขียวมันออกเบักไ้จดเอาละเศ้าเ้ามึงเป็นแย่เป็นยิ่งมันมึงกระืนมันแน่แมมึงจาถือจะ่าน้อแม้ปุวไอดไออน้ามึงถนลานอแพงเอาันกะว่าได้ขืนเจ้าดอกสันกฟังควอยู่ขอขอไอ้จีด เออเอาขั้นว่าจังสันก็ดีละลาเออหุ่นจักฟั่งถอยฟั่งควมกันมันก็ดีแล้วละแล้วอีบัวเดเมื่อสียว่าจังสัไอ้ขอนเมึอเสยได้บอระนางยุดอกไอ้ทิดเอาเสียงแล้วละเออเอาดีแล้วละเอาขัจังสันกับพักกันน่งย่หันสงบปากสงบข้ามสล่เอออ้เสิอบรมก็หากันขั้นไอ้เสีเว้าสู่เสียฟั่งบอเออเอาขั้นฟั่งกับพักกันฟังเด้อบัดนี้อ้เสีเบ้าเบ้าบัดนี้ ม่ต้องมามาต้องมาเห็ดน้ำกันอันเมื่อเล่ากูตีกับเขนปติอีแพงสีแดงมาต้องมานั่งสูงเลสูงก็เสมาเป็นไฮเป็นเือกแแห่ปานนั่นคือว่าสีฟังกูว่าโอพ่อตากูหายหลังทนนั่นแหละเพราท่านเป่าพ่อขัาเถ็ดจะมาเบิ้งตีจะมาเบิ้งตีอีบัวหั่นเบิงอียงมันอีเมือนมาเดียกตาใส่แขนทังมันคือมานั่งจซื้ออีบัวหั่นนะเอากะมึงายิงเขวใส่กูเ็นี่ใส่อยั่อยู่เน พันวสูนี่นเพราะเป็นพี่เป็นน้องกันนองลาเอ้ไอ้สุเป็นพี่เป็นน้องกันยันหัวยันตีนกันออกมาแท่แทะเด้อเบืองหน้ากันซ้ำนี่มันกระสิบาได้สันออบอก่าได้ดอกไอ้ทิศ บอกมันหนีเมียบ้านเมียซอนมาเลยมันต้องมาเห็ดน้สันเทศบุญหายไแม่หั่นสอยากเห็นหน้ามันบอกหนีจังดบุญกับท่านแล้วแล้วหลนันเป็นเจ้าพาสันนิกีบอกมันหนีบอกเออหนีเ้าผู้ใจห้มันเมื่อก็ได้บอกขันมันอยู่มันเป็ยนหนังสมัอยากเห็นหน้ามันก็ไ่อยากเห็นหน้ามันเอาเอาละลาเอ้ย ขันว่าเห็นนากันบได้จังสันกะหันนาหนีสที่หลยจาเบื้องนากันหันไปใส่มันกรย่างอ้อไปอ้อมาหน้ามาทอดกระดุงตัวหน้ายิบัวหันท่าไดก็ตามสร้างลาเอ้ยมึงหันนาหนีหันไปทั้งไหนหันไปทังเฮียนหญ่ตุนนั่นอยู่ทั้งไหนเฮียนยายตุนทั้งหลังมึงนั่นดิมึงเหลือมึงเหลอมันจกเขียนนาควายกองกนใส่มันกได้ดอกอบัวมึงก็จะหันนาไปทั้งฟูนจะหันไปทั้งไหนไอ้ทิดหันไปทั้งเฮียนพญน้อยก็ได้ดอกมึงนานนาพญน้อยใส่พญาน้อยีที่นั่นตี คิที่กับพี่น้องมึงนั่นตัวหันไปโอ้ยยากมันกับเป็นน้ำสูนนั่นลาเห็นห้ยยากนะเอ้าสงบปากสงบคำซาบเดีฟังไอสีว้ามาเดียบคักแคไอ้ทิตบดนี้ เต็มมาที่เดือนน่ะเต็มมาที่เล้วเออมาหากับนเม้วอวดแขว่งเยี่ยงนี้จังเป็นเนียวนำเยี่ยงหกะเบาปากกายบเบาอายบ้านกันเพิ่นสวนน่ะ พวยิงเออเออเออพวยิ่งนี่จังเป็นความคิดกุญใจบาทวนนะใจบาหนักนักเหลืออีผาดพีเสียหลากย้อนปากไใอขอบใจหอน บ่สังบ่อันลาบังเดียดเลยเสียสิหนอนปากลวงเลยบ่คิดเบื้งกว่างกว่างสาแล้วจังปวดจ บัดนี้มาเบื้งฮเดือดเอืมีป่ามาเบื้งหากับผีที่กินตับมากินเบียรหรือเจียมผู้เอาผู้ใดแทง ตอนนี้น่นนทาันนแลเบี้ยเผาผีบ่ทันใครมองเอาโอ้ยยหันมาเบื้องมาชมบัวดาวางน้องเล็อยสีชิ้ชมดอกตอยกันนะ จังว่ามื่อนี่นั้นเป็นนาคู่เอียของไรการอีบัวบานเป็นมุมแดงอีแพงสีมุมน้ำเงื่อนนักจุกดังทางควงมาเบิ่งดูเอาเดื้อเจางมาเบิ่งเอานักมัว แม่ไปจีเป็นผู้ชนะไปสิเป็นผู้เพียให้ล้วนล้วนบาดยกบาอ่งอายั ในเมื่อนี้อันตัวฉันจริ่นใช้ผูวเป็นหัวหน้าคายทำหน้าที่กรรมการขอวิจารต์นักมื่อเยีงเยงกู้เสียชิยงแชมเปี้ยนเปื้อนังเวียนในวันนี้เฮ็ดฮานตังเวทีอยู่เดินบ้านงานทำบุญ มาเทาเมงยิบเพียงเสียมานเป็นคนนราก็แข่อห้องเสียงหล่ใสผู้เออยผู <y> <coping> em ้ปว้มทอนเที่เขาจาน อีบัวบานกะเลยห้องตอบตานหอบดินบานใสหวกันอ้ตาอ้วนผัวพันตินย่องกันบานเด็กน้อยอีบัวบานเบื้งหัวซอยอีอีเพีงเสียกำปางเสียเกียร์ยุ่มกันจนว่าเอือนผูวไดเอือนกับบัวสาวน้า พอบิไล่ยมพอใสยใจเอ้ออออคอยหลุดบ่โออยากบ่โออากเสียบาจังไดเดียโนพอโน บีอาเผาผีปินตุนต่อเด็กก็สาหัดแล้วเดือัอยากไอเี้มเมืองอยากไอบานดำไอดำบวบเนาวค อ้วนบานเอื้อนนาเดองอ้อยานเพื่อนน้ำไปเบ้าเปลือนประชานดังไอเสียมที่เสวนบุงบานแนวโคตรเสือคงถงพอปานตัวมาถื่ทับทัวไม่จม อินตองเลาเมียนโปปานสวนน้ พวดนเลือนควาอํามาน้องสาวค่อยยบอกบอกเอาว้าเบาบอกสืออาเียกกะเพียงเนืดออเียเกลือกะเคีมอําน้อปอเกลือบอ้มาล้อมต้มบอเข่าพี่ใจเบากะบอฟังน บ่อไขยูนเจายับยั้งบาดเดือนขอบหมื่อนลางานตุ่มบ่ออาญคนดับบ่ บอกยานกูอยากาอบ่หนังกูเปินตัวหรือเปลยนไม่ย่อไดโนสูสังกาดอความตาเอียบอกเกรงอุ้บอกเกรงใจกูเทโนงมุขขีกาสูปินบาสันบ่เงือ บุญหาแมียยังบอตันได้กว่าเมื่อสู่เพียงย้องยุ่มหัวกันมู้สันดาลป้าอันนักเลี้ยงกลัวบอกสอนบ่าเอาเทียนอิเพีงสีกันนาดานีบัวบ้าอันกันนาหยาผ้าทำบุญพันต่างบามสู่มาสัวพูดแทียนนี้ทำใหออกจากกัน เรื่องที่เกิดเมื่อนี้นั้นบ่เป็นเรื่องธรรมมัดาง กูอยากไอฮอหมั่งว่เป็นไอแต่คุณซ้ำน่าให้ฟังคำของกูเดือคขันสูหินเป็นไอพี่อสำหรับเลืองเบียรเผาเียตกบาดแล้วมือเอืนเศร้าจังมาเว้าสอเลี้ยงกันน่ ให้ยาดูที่ใบซำนันเศร้าเที่ยงกันญาณอ้วนเมื่อนี่เปี่นเมื่อหัวบุญน่ะบ่เ่นนหันอไม่ขอเงา La la la. แพ่งสีนั่นล่ะสองกูสองคนนั่นล่ะยาส ม, มีเรื่องมีเล่ากันทอดลาเ อ, อ้ย อ, อ, อยากอายบ้านอยากอายเมืองเพินเ้านอลาเนาะแพ่งสีคอย่ปซ่อดอกไอทีดเอาจันเหนกกาวามาโลด ก, ก, ก, กับอีบันคอยโซสุดเพราะเียพแห้งอนละมือเนี่ยเอา โสสุดของมึงเนยมึงเสียจังไดบอกมันหนีเมียบ้านเมียสองมันมาต้องมาเห็ดน้าฉันเห็ดบุญหาอีแม่น่ะหนีจังได้บุญกระเพท่านแล้วมือเอื้อนเศร้าสักก้อนตักบาดหยาดพกแล้วบอกมันหนีบอกมันหนีไอ้ทิดว่าจังใด่ละบัวเอออีแผงสีมันกรวบาจังสันหละขันมันบอกมันว่าจังสันสันกระสีปัจจคือกันสันจะกลับบ้านกลับเงอนสันคือกันไอ้ทิดเดืออ้ามึงเสิกลับบ้านที่หลีตีบัวสิมาอยู่เอาอี่หงขันอยู่กันแมสกันได้ขากันจังสีเหอไอ้ทิดเอา คันมือกลับบ้านกลับซองไปแล้วน่ะเรื่องบุญหาอีเมีของเห่าหนเด๋มือเทียจังไดมันมายากดอกไอ้ทีตแ็จจังไดจังสีบาปยาเมือไม่ว่านามือดีวันงามสันพ้าหลวกผ้าผัวแต่งบางสกุลแต่งท่านหาเราเห็ดใหญ่กว่านี้ก็ได้ไอ้ทีตเอาจังสั้นจจ้าสั้นตัวมันยืนเากิดว่าไเออเอ้าันจังสันก็แล้วตาสูบาแล้วตาสูเป็นละสันลาเอ้ยสีเมื่ออีหลีนั่นละบะเตี๋ยสกับฉันละไอ้ทเออเอา ไอ้กะบวบาดอกขั้นอยู่น้ากันไปมันกะสิบอแลาไปทัวเป็นจังเท้เอาจังจีสับัวขั้นสิเมื่ออีหลีนานาเจ้าไนไอ้จีดมึงกะหัเอาเนี้ขนมเซนนะพอได้กินนํำทางจ้แล้วกระซ็นหมูกปลาาวเด้อวาห้มันเยกระต่าโอ้เด้อขนมเซนติ้วเดียวมึงจะหวนบ่ออมึงตายหงได้บ่นอันของซ้นี่มึงบอกกูาได้ั้ปาิตีแพ่งสีเด้วหน่ะเหรอแม่นอยากได้กูกวางห้ก็ต่อหนีเออเออ ขบาเสเอาขันจังสั่นก็บต้องเอางอตับมะละศร่าเอ้ยขนมเส้นนี้แผงเสียเไปกินก็คือบ่พ่ออ้วนบ่พี่ย่อนดอกคำนั่นแ้งปนี่ก็พต้องเอาของมัณะลาบ่วเอาไอทีดว่าจังใดอีก ขั้นบาจังสันคอยกระเสือบรายยูนําพวกเจ้าเออแมนนต้องยูล่ะสลเอ้ยป้ต้องยูมันลาอันใดน้อบดเนี่ยันขั้นคอยไปบิดไปมอมแล้วเจ้ากระจุดถูกจุดเทียนบอกกาวดวงบินญ่านของอีพออีเมียคอยน้ำเด้อไอทยบอกละว่าจังดบอกลาว่ามื่ออื่นเสานี่คอยบรามาตัดบักหยาบพวกน้าพวกเจ้าดอกแนวดมันดีมันงามให้ม่เจ้าเห็ดเอารถได้ทิดเดือโอ้นที่สวนที่มึง่วงนน่ากัจังสันละไอทิดคอยฮองจังสีละเออเอาขั้นมึงวงซานี่บ่ยากดอกลเอ้ยสิจุดถูจุดเทียนบน สารการให้ลงจากดอกอีเมลน่ะว่ามึงบันดาตักบาทมืออื่นน่ะนางใช่ไปซะเนี่ยขั้นมาจังสรรสังกับก่อนได้อทิดเด้อโชคดีเด้อโชคดีมีแต่กดสิจุดถูกจุดเทียนบอกอีเมลไปหากค้องหรืออีผีบ้าแหน่มึงกระไดเนาะเพีง มือกัจะเป็นเบาคักเบาแน่นาะอีบัวบานมันกับ่เม็นผู้อื่นผู้ไก่เทล่ามั่นกับพี่สาวมึงคักเดอเลยโดยโดยเฉพาะอย่างยิงเน่ยมื่อนี่มึงเห็ดบุญคันมึงเบาจังสั่นนั่นมันสิบ่ได้บุญเดอละแพงันไปบีดละตีไอทีไปบีดแล้วปุ่นเห็นตะสนใบใบพุ่นน่ะไอทีว่าจังไหนคันอีบัวไปบิดแล้วเจ้ากับเจ้ากจะถิ่นจะป่าเจ้า่อยให็น้องให้นนงเห็ดผู้เดียวเด้อหเห็ดบุญหายเมสยเสถีไปแล้วได้บาตรเนี่ยเอา เมื่อเห็นไอเห็นไส้นี่มีความสำคัญอยู่หรือไอจิดเจ้ากับำพ่อผู้หนึ่งหันหลาเป็ี่ยนไอผู้ใหญ่ผู้ตับางหนึงกับยาตือยาช้าน้องถอยจีดเอ้ยบางนึงานสันเมาน้องเมาสันเมาหน้องเมาสันเม้าอิลิตีบาัหน่าแพงเมาจนตาหมึดตาหมัวดรไอจดวันนี้คือจังส้วงบ้าูจักขวมเกินระบีอานซการวงแห้วเนาะเส้าหลอดตีเมาเ้าเส้าเร็วเส้าตะเหิเส้าตะยี่บัวโต๊ะคนละตะสารน้ำไสกันคนละจ <laughs> ตัแม่แมนอีบวกระไรตบวเส่ปากน่ะปากทันแตดทั้งหนเหมือนเลงแะจะกินเบียร์อดฮม้อนฮ้านมาลับ<อ>น้ำหมูได้ปะนุ้ยทีได้โบบั<ห>ดท<ด> อ๋อมันปรหารตะกินเบีย้ยมันกระเซินได้ดอกอาหารมันปยากาตกลาบแห้งเอ้ยเอ า, อ า, อาเอ า, อาจังสี่ขั้นมึงส้วงเหล่าเศ้าเม่าแล้วจังสี่มึงกระตั้งใจให้มันเที่ยงตั้งสติสสให้มันมันรักษาให้มันดีเงินคํามกับแจ้วมันสเสียสียหายเดียเกิเงินมาตะใส่ไหลที่เอาก็เงินคนไม่กินมาท่านน้ำหนั่นตัวได้หลายปันไอกว่าอาหนรพอเบไล่พอสายใจว่าได้สี่หมนเจปุ่นตัวอะ ถัวได้หลายประนันตีไอ้ก็ได้หลายประนันลาเมื่อหังจมหังเบ่าบ้าแต่เทศบ้านปลาแดงงามบานพ่นไช่พ่สวรรค์อนกินหลายกินเปลือม้าเพิ่นกับบมาเมื่อเป่าได้หลายเงินข้ากําแจ้า็นะมาบริจาคน้า ได้ตั้งมาสี่มือนเจ็ด่านเนท่าเงินอื่นเห็ดบุญเงินบดิจากไม่ได้หลายปนิธานไ้ลีดไอทีดไอทีดเออเออาจังไหนข้าวีฟาอีพอเป็ี่ยนพุยไงบ้านเก่าเลยเนาะเออแม่นนอกจากนี้ก็เป็นมรคธาโยกพร้อมทั้งจางโค้ชวกพุยไงทั้งใบมาวานเออนั่นาแลบบัดนี่มข้างนี้เอาบุญหาอีเมีของเฮาแนวใดมันโปรีบงามมึงอย่าเหตุจะทํามันขวมหลังเกินเลผู้เ่าผู้แก่มันสิเป็นบาปเป็นกรรมเพิ่นตืเกียดแต่เมืองเนสิบมาตักบาดหัวมเด้มือเอินน่ะสันสันบ แล้วอหน <laughs> ีจนเราไปบริหาเมืองต่างกันได้่นตัวว้าอี้ก็บ้าอินี้แหละมึงจือบปได้ตีไอ้แกจือไปไหนน้คนเมาหนะเป็นเรื่องสั้นแหละออกปากว่าแต่เจ้าของเมองราจื่อย่างบ่ได้และมันย่ำคนด่างให้นั่นชื่อปไดไปดีดีมึงก็ได เอ้เอาเอาลำบัดนี่ก็ได้บัี้นั่นเงิอนค่ำกับเจ้ากับน้าเพิ่นกัมาบริจาคนําไดทั้งหลายปัญญอ้กสิามึงจากค่ำเท่านั้นลถามว่าจังไหนรเพิ่เสี่ยวเขาวัดหลายปัญใดไอ้เสด้ประกาศใน้นหุจาเอาดเขาวัดเอาก็บเงินค้นมาบริจาคนี่แล้วเนจี่มือนเจ็ยาเสี่ยวเขาวัดหลายปัญใดหรือเสี่ยวเขาทั้งเบิดที่อ้สจประกาศอฝ้าเด้อจะฝ้าเนื้อ จะเป้าให้ปราใหญ่ท้องใบประกาศเดื้เงินสีเมือนเก็ยจจะเป้าจาเป้าจะด จ, ะ จ, ะ จ, ะจะ้ง <ไป S 1> ดเดเอ้าไอ้ทีเดเมืออื่นสาวเห้นอกมาเสียบงะกร่าค่าใส่ใจมันเบิดหน่อยเบิดหลายซ้ำได้๋คันมันเศษมาเหลียนนอกจังสีขาววัดนั่น ขันบาเสีย่เรลียวกัมเขาหัวตับหอบปอบมาหลายอาทีเอาเอาง่ายจังสั้นเอาจังสั้นล่ะเนาะเอาไปโอกาสหน้าผ้าไม่มีเงินมีคำจะไปสั่ไปเปลี่นเพลิก็ได้ดอกนั้นํากัดแก้วหันเนาะแล้วแต่มึงเสียดิถ้าละลเอยพอมามึงเป็นจอภาพใหญ่อาจจเป็นผู้ตือผู้เกื้อให้มึงเป็นผู้บริหารงานทั้งเบอรี่อ้พบกไปเกี่ยวคลองดอกแล้วบัณฑิตตะเวนมันก็ค่อยคาลงมาเราได้แพงตายสามเราได้นางเออแค่จังในที่ใชที่แค่ทั้งไหนกรสั่นนองสิบอบน้าทาเปล่ยนเต็นต์ เทีย ส, สุดม่กันเลกีปากตัวจักรน้อยมาล้มกซีมา น, อน่องกะซได้ไปต้อนรับกลับสู้หาเขาหานา้าสู้เขาจู้ขาย น, นเสด็จาต่ อ, ตอมาล้มหันเอาขันเขามากมันกะ บ, บอยาคดบยากบองดายไอ้าคท้องใบไปต้อนรับแทนมึงก็ได้ด อ, อ๊บบอยาท้องใบแล้วเปล า, าน้าค้นเปลี่ยนเอาเปล่าเป็นยาาันงไงไคือเป็นโคตรสุกปุ่นเปลี่ยนโคตรกอันนั้นล้วเปล่าเรียงนี่แล้วเลยพเปลี่ยนเาเห็นหมาล้มงามน้องกะบักหมาล้มใหม่ท่านวะยันบ่คากใจยนมันเขาบปลรถไห่อยานในเขาขึ้นราคาตอนเออเอาขั้น เฒ่าไปอาบน้ำอาบเท้าติเจ้าเบิ่งการเมืงานแทนน่องแทนหนึ่งนด้นอาิตย์เอปัญญาดอกไอสิบเบิ่งแท่นมึงดอกทางในคุณโย่อมเอ๋ยเป็นปางบุญบุญแจกิ์เขหามันด่าเอื่มละอาจากอายหลายได้เนสอ่อนโอเสียงคนโสเสียงคนเบาเก่านิ่งท่าดังสนั้นเรื่องเจ้าภาพขากกันงั้นกล่องบุญมุนเอเลคนโสเล่ซาตัวแดนทั้งบัวบานปูกําลังเขียดแคนเบาย่อมมาหอดตักปะฮัดผูกอากาต่อนองบัดงั้นแล้วสี่องกันตกมาหอดบางนี่นั่นมาฟังเบิ่ง ทีจัดการจังได้น้องเรื่องเล่าที่ชาวโจ๊เอาบอ o มึงดูบัวบานเอ้ยนี่เอเออัดนี้ล้วล้วยางได้หัเงาหวข้นทั้งปวงให้อับงก้อน ลาภัยผู้มาบังเทศแล้วนั่งเอนนอนเป็นบาตายไปแล้วเสด้เกิดเป็นนุกเข้าแลมและส่วนวบาอาตธรมผู้เลผู้เบาเงานอนบอบเป็น่ยนจากธรรมผู้เลผู้เบาเงานอนมาเป็นอย่างอ่ย แม่เออแม่ไพ่ผมมาฟังเทีดแล้วนั่งกุมนาสิได้เกิดเป็นบักคอยไพ่สวกันยามฟังถามเป็นบักตายไปแล้วจีได้เกิดเป็นนกเอียงแหลได้แต่เถียงกันบุญจอดแกยกกลางอายันขันไพ่นั่ง หญิงสาวเพื่นวัยไตไปแล้วจะได้เกิดเป็นกรรมแกยขีย่ำโย่ล็อมาดียูวเตือนสัตยทาทุกทุนนางเล้งเ้งเลิ้ให้ตั้งท่าให้มันดีขัน อยากให้มันดีให้เจ้าจุกเอาใบเขียวใบแดงเติมแถมมาเรื่อยเมื่อยเข็นขาลุกขึ้นฟอนนั้นเอาไปน้าจังเข้าตาเพื่อกําจัดโรคค้างขอเชิญชวนมวลปีน้อง มาบายาเดงละปวดแงทานเรือล้านลสัย์ทาอยู่ ฟังเรียนอยู่สะมองเล็บเมียเมียยังคิดเห็นเป็นอ่องมองเมื่อเมื่อเต้นยองกับน้องสาวละ ละตั้งแต่เขาเมื่อเอาบุญปวดมุญไหลอยากให้พ่อทำไข่บ่อน้อยว่ามันเหลี่ยมเนีวดองสาวบ่ดีดองสาวโอ้ตัวไข่เป็นเอื้อยมันตัวมันยังกาเห็ดไข่อยบันหมาหน่อยเกิดเมื่อป้า แม่เอ้ยแม่มันบดจับย่อนยานกัดทาเบื่งนั้นเป็นอย่างลรแล้วเสิไปเหยียบตานดังจนหออัดหัวนถึงที่เสียไปทวนทำนี่อีโตกันไปตันบอกเสีไปไล่หอดดอกเดี่ยมันรูดิบอิ่มบวง ครอบน้องสาวมาอันมาจวบาหันจวาผาทั้งเาหัวหางเงายันเดมือไปจับตองหัว่หน้องดันมีแข็มลักลักลักลัลั แย่แสเอาติ่นจุ่มหัวบาโซนแล้วต้องบุมมันยังกาป่าทาตำหงว่าเสืออยู่ในธรรมมันยังเลื่อนเบิ่นเข้าไปมันมักล้อมเล่นกับไปจะต้องเจอหนอความบอนเล่นกับบอนต้องคันเน่งหล่เล่นกับหมากตำเง่ ต้องในเก่าจนนังเผลอทางบัวบานผู้เผลอสิขอท่านนัตตาดอวหลักถ้าบึงเดือดพี่น้องสืบไส่เลือดใสโลหิทางเพีงสี่อดต้องคิดต้องสรุปบนอยู่ฟื้น ทางบัวบานเสิไปเื่นนั้ทะลกนังทั้งทนงเสียไปสกี้ขุยลุยบัวแบบหลางผาน่าลวเพื่อเอ้ยตนเอื่นไปใส่ทางเพียงเสียงอีตเดียสมมาคันมาว่ากันให้มัน เงินของกู้ยศสเราทำเอาอมาเดียวยับเพือฮับวงเดี๋ยวนี้อุบมาทวงคำสัญญาเที่ยวมาแล้ว อีเมะมาขึ้นแต็มแ ม, ม่นมวนกระดอกกรเดียดผู้ขาเจิดหน า, หานมาสั่นจะว่าสิลูกหนึ่งเขา่าเพะทันถ้าแม่นไห้ทิศเ่ราะมะผูกหันเดี๋ยวนี้ทั้งปลาทั้งสงเพิ่งกระตักบาทเข่าวัดเข่าว้าเหล่า ล, ะ, ละอันสุ้มเมะขัวหันแม้นเท้าสีห้สีดาปัดได้กับเราะเครียดบพราขมปิ่นเอื่อนง่ายคือยอย่างไงตัวเมวะขัวทั้งบานพร้นไซหันมาตะมีเบียให้ลังมาว่าสั่นเตกวื่นกืนจนบอมีหมองไงเฮ็ด <c oughs> โอ้ยทิเมนดีเป็นงานสะเดือผู้ขากา็ไดเดี๋ยวนี้ทั้งแม่ควก้กระพักกันเสียดถวยเทียดบ่วงโยงสมผูกกู้ตอกกู้ตินเฮ็ดดั้นเฮ็ดนี่กระลังเสียบไปทรงทั้งคณ ะ, คะกรรมการกรา็ไดผู้ขากะยากหลายแม่เอ้ยยากหลายขนันเฮ็ดอีหยังเรียบลอยจังสิผู้ข่าละส่วงแหงเนี่ยเฮ็ดบุดหายแม่โอ้ยกลมมาสว่งางแตนะออ้ยสว่างสว่างละสว่วงแหงสว่วงแหง เฮงเอินใส่น้อแบบนี้น้อเฮงใครใครเหระซุ่มขอทานเหรอมาขอข้าวขอปลาเหรอมาสั่งบทไอ้หน้าหุนห่วยลำคาญจังเลยพวกขอทานขอได้ขอดีขอทุกวี่ทุกวันได้ยินไหมเดี๋ยวนี้อาหารการกินขาไม่เสร็จไม่เหลือหรอกเขาเสกให้หมาบทแล้วไปขอบ้านพ่อใหญ่พี่ไร้นอนเขาทำบุญหยุดอยู่นี่ไม่มีหมดแล้วไม่มีไป ามาเห็นกูเป็นขอท่านแต่ด๋น้อมาสั่งวาทำท่าตายตายแหงแหงเอ้ยแต่เป็นผู้ใดมาอะไรเนสั่งตัดสั่งปอมันออกขวัส่หัวมันไผน่ะไผ่ะผู้ใดมาอผู้ใดผู้ใดมาบังบัวบานบัวบานโอ้ยบัวตสันโอ้ยจว่าได้แค่ย่ามันคนาขอเขาเขยบอกไปขอบ้านเพรยัมีไรมึงกันย่าเป็นโพดเป็นโพดน แต่ว่ามันคนมาขอข่าวก็ไกลๆไปปะเดี๋ยวใหญ่่สันใหญ่สานให้เป็นเหยื่อมือเอาใยญ่บัวจะไปจังไหนมาจังไหนเจ้าคือมาสดสวยเพียนงายแต่นี่คุณจักอยู่ตัว่าทำบุญหาเมเจ้าของคือว่าฝ่ามาตักบาเจ้ากระไดเจ้าเห็ดอย่างอยู่กับบ้านเอาอีกแหงสีเอ้ยอันเห็ดที่ว่ากูมามือนี่นี่กูมาได้มาทำบุญทำกุศนน่ะมึงอีกแล้วอีกแห้งสีเดี๋ยวนี้เอาใหเอ้ยให้เป็นเหื่อมือ จะป่าวถอใหญ่จะเย็นเย็นามือนวันก็จะสารน่องสารนุงถอเหมือนวานน่สันเมาหน่องเมาหน่องเมามึงเมาทำไงมึงมาสั้งเป็นบาปเป็นบ่อขักปันเถิอีแผงถีเมากระให้ฮะสู้งานหนึ่งตัวจะว่าวให้ผู้หลันดาผู้หนี่ตัวเมาคักเมาเน่เมาอีหลีด้ใหญ่เมาจัดไว้เงาใส่สินผู้นี้มือนวานเนี่ย มาสังหน่าบะไงหน่าบ้านคักปนั่นเดี๋ยวนอีแผงจะตือจะสารน่องนุงตอใหญ่เอ้ยเหยียบใส่หน้ายิ่มใส่ตุ่มซักขาวบานเออเอาจังสี่ใส่ใหญ่บัวอันใดก็ตามสร้างตอเม่นมาประทันตักบาดน่องกระ่าด้ว่าดอกเดียวดีน่องกําลังเสือกระดูกอีแม่ไปเขาทาตุจวัดจูว่าแดงสอกแตดงซองไหวซีซองันไอ่มาจังสี่แม่จังไหนก็มาออกซร้อยกันสาถวายพระายจูวัดน้อยใหญ่น้ะ จะเาียบน้ำสังงสนไลไปไหนเงินถว า, ายพระหันจะเป็นกูศิสัทธาหน้ามึงคักนาะอันกูมาเมื่อนี้กูว่ได้มาสัางน้าทบุญกับมึงอีกแล้วอีแพงสีเดีวยวเนาเอาเอาขเาเป็นเยเป็นน่องกันจะท้า ก, กันเอมึงจะสา ม, มารถบอมาว่าจะสั่นจะไปได้เวล่าสั่นมีเยพูดเดียวเธอเนี่ยยบัวเยบัวและเย่บัวนี่ยเย่สมหันมาสั่งพดสั่งพแต่อีแพงสีเอ้ยเอาเป็นจ<ม>้าใดก็สัส่งก<ส>ูว่ทำอะอีกต่อไปเรื่องบุญเรื่องกุศลนั่นอีแพงสีเอ้ยกูสิมาเฝ้าเ้าทุลักทุล ไั like, so Take the ่เอาเลี้ยงหยังไม่เาสันฟังมู่สันแท่งกุ่มหนากุ้มหลังหลบหนาอันมึงจำได้บอกอีแผงสเลยจำเลี้ยงหยังล่ะอันเงนกลื่เื่อนกูนั่นบุญแล้วมึงว่าสิหาไทยหากขึ้นกูมึงว่าจังไหนเพราะว่าสิส้เมื่อตักบาดหาอีเมหันจังสันแล้วตักบาดแล้วว่ามันเอโอ้ยโอ้ยอ้ยใหญ่ยงบเขามาเอามามันเหลือหลายปนไดเอามาหักกูไปมาฟีกอนมาีกอนหว่ามาฟีก้อนมาใกล้ จะเาแงไม่แดงสีด้งน่าสเปาพื่นสันมาพี่สานสีเปล่าสูฟังได้เย่หวเด้อมาจังไดเบาจังไหนโอ้ยนองสีเปล่าซูฟังมือเศร้านยสันมาเสียเบิ่งร้ายใจน่เงินกียเมนนั่นที่ยืมจากเจ้ามาเห็ดบุญหาอีเมหันมาเสเบิ่งคาใส่ใจนีมาเศร้าเย่อเงินกียเมนหนึ่งย่างติบ คนมากินมาทานก็นได้หลายอยู่างเลได้ตั้งมาซีเบิลเกียรตนเดีพีวัดน้องกับพระฤๅษีถวายได้เยมาสั่งว่าจังสัน่นแถบพระฤๅษีถวายมัดถวายบ้าช่วเอาไปใส่เบิดถวายผู้น้องไปถวายอิญญาผุ่นเดี อ่มันหมายความมาจักไดนก่ออีแพงสีเดียวเนี่ยฮะสันไปยืมเงินญาม้าจ้างมาลับมื่อคืนนี่หามือเมื่อเร้าในตักบาดแล้วเอิ่นถามมาน้ำสันสักกระอธิบายสู่เราฟังดอกว่ายญาเออจะป่าต่อให้สันเสียเบืงค่าเส่ยใจก่อนจะสิ่อุ่นไปให้น้ำก้นดอกเงินหาเมือเ้าเนาะบ้ไรบ้าไรอ่มาเดี๋ยวนี้สันลนอนก็เลยแปวเงินสี่มืนกนั่นมามอบใส่ต่นใส่มือให้เรา บ่อเพียงมาพาะสังกะจกเงินจาของไซอีกส0 0พันจังครบห่ามื่นแล้วกับจังเมียบ้านเดี๋ยวนี่หั่นเงินเกียรมื่นกับบ่อเลียเงิน 4,000 เกคนมากินมาานนกับบ่อเดียเกี้ยงตึ๊บเย่บัวเด่ยวเนี่ยบ่อยางจากบาทเที่ยวเนี่ยหั่นมเบเอาจังสี่สะพีเอาจังไหน เงินเกตเมินไห้เจ้ากลับขึ้นไปบ้านไปซ่อมจากเกตเมื่อแปดเมื่อจะโง่ขึ้นมาเด้อสันจิหาให้หรอกเงินเกตเมินเดี๋ยวนี้สันคอไม่ซักบอลสับประหันในเบื้งสับรันในเบ้องไร้การอีหยังอยู่เอาทิปมีเินสิ่อ้อทิปอ้อมแดียนยู่เดี๋ยวนี้ทำหากาบาบอมี่จากบาตรเราเบาเลือเราบัติงเงินคือสันเ้าซูฟังอ่ล่ะพี่เอาจากซีก็ไดอีแผงซีเยเอาจังไหนบัตนี้มาซาบอ่เรื่องเงินเหลืองข้ามาบัตเนี่ยอ่ะซาบอ่เตี้ยอืมซาบอกัไปถ้าสันปีะฝ้าไปวาดันรเีก อันใบเบี <and> <ieur. S 1> ้ยเผาผีของอีเมานั่นขั้นว่ามึงบอมีเงินคำกลัแก้วให้กูมึงเอาใบเบี้ยเผาผีให้กูไปถือไปข้องแมนบอกข้มึงบอกมึงว่านั่นใบจังสั้นเนาะ เออเย้เอาจังยูสไปหามาปสมมอยูน้านองนี่ล่ะยูน้านองนี่ล่ะยูสไปหาม้ากูกูจะเห็นหน้าเห็นตามันเดี๋ยวคับเออเ้เอาจังสี่สาเอาจังไหนอีกเอาไว้น้ำสันนี่ก็ได้ดอกใบเบี้ยเผาพีนะเจ้าอุ่นใจรวดสันป้ากงดอกเพินเกล็ดเงินจัดที่หายยูเอาไปน้ำนองนอุ่นใจสัน่้ากงสันป้ากงสันป้ากงก็สั้งว่าได้เป็นเด็ดขาดมือเนี่ยขั้นกูว่าได้อันหนึ่งกูต้องได้อันหนึ่งเด้อเอาให้ได้แล้ววันนี้ไปหามาอ่ะ เอาจังสีสัสสัดเย่บัวเอาจังไหนสันสีว้าวสู้ฟังเด้อเอาเบ้าใบเบี้ยเผาผีมันไปอยู่จังไหนมาจังไหนขันสันว้าวสู้เจ้าฟังเจ้าจะซอกตายข้าเห็นสันแล้ย่่ยบัวเอาเ้ามันคือเปลี่ยนให้เป็นหื้นกระดกเดียดเทลเฮือด้เถอขอผัดขอพร้อกับอะไรเอาตั้งใจฟังมัดเนี่ยมันคือยนกกระส้าสั่งตับสั่งเปิดมันแต่เย่พิมพ์มาเป็เยคนเย่หมาขักๆต้องัเป็ยนแบบเนี่ยฟังกูสีว้าว แบดเียนนอังเพงศิลายินว่าจะเยเวาค ปวดหัวใจเจ้าเจ้านะคือสีกำใสสามองนะใหญ่บัวเอ้ใหญ่บัวเอ้ย่ า, ยา เ, าาเาฝ้าเว้านะมาเห็นพี่คผู้ยิงตัวโพดแต่สูดแต่ทั้งผิดบอกคิดไปกะทั้งบ้าน ยังบ่ให้พวกไทยบ้านยัยบวัวบ้านสังมาบินมาท่วงนี่กะทวงศีลป์มิ้นประมาทอาคาตน้องบอตรองทวนบึงกาดี นะใหญ่บัวอ ย, อย่าวยว้เว้าจุกีให้มีเรื่องกะมีแล้วเรื่องเงื่อนทองของข่าวย่าฝ้าวมาจุดขันเจ้งนะนองขอแกง่งแถลงขี่ไขวากี้กะเ้าตอแต่ข้าเรล่ากะบอ่พอพง แถมเป็นนิอ้อมบ้านกางแล้วจังแม่นสูงนปเห็นใจนองด้วยในเดือพี่ของแผงสีเลี้ยงนิสินตินต่อขอราพรบ่มีเบี้ย ยาฟ้ามาขอดเยวาให้หันใจเนี่ยจากวางแล้วนีสินมองตัางต่้งจังเสียให้เจ้ารับล่องนาคอยบอกกนงยใหญ่บัวยี่คันเว้ามากบากปุงขอบอกบ่งเป็นทางการใหญ่บัวบานฟังเอาดึงขอเสนอแผงสีนง ขันเก้งหลายฉันไปฟ้องเอาหมายสานมาเลยพี่ขันเจ้าเจ้งไกลลีแทงสีนังกาสีสูบกระยานดอกสามคนเนีเขีนเจ้าขุดฉันเจ้าคนหามาโหลดกองหลักฐานไทสีมาเป็นพ้ายังไงหาเอามามีเง ฉันบอกเค้งขอฉันได้เอาจังในไก้ว่าสา์บันทึกมึกกลางกาบอได้เฮ็ดใบจากภายแล้วสีเสือค้างนะนองขอเตือนบอกย้ำขอบอกบองเป็นหนุนซองห้อยบ่มีดอกเงินต้องแม่นบาดเดียวบ่มีจอย ใหญ่บัวเอิอง้งเคยได้ยินหรือบอกคำโบราณเขาเ่าว่าได้ยินจากที่อบอกเขาเ่าเขาว่ากันเขาเบาเขาว่าแจ้งหลยอีแ่งสีเดียวนะเพื่อนว่าพี่กะและนองยืนได้กะซ้ำคอ มึงสั่งเต็ ม, มเบาๆเ่ยายเอิ้องกี่ ข, ข <S <S ันเบาคอร อ, อทิมสนสังฟังใีดีเบียเ่พาพีกับนามุนคอยเอาไปจำน้องตั้งแต่สองกับปีพุ่นนะเงินทำบุญหายายเท่าจเจ้าไม้เกตเมืนจ้างกะโปได้คืนจากแตงเดียวซ้ำดอกนั้น เงี้ยมาว่าให้มือ้ข้งนั่นะนันีทา บัวเอ้ยส่วนใบเบ hmm yeah. ี้ยเผาผี่คอยเอาไปจำน่องตั้งแต่สองปีพุ่นเดี๋ยวนี้มันมีตะซื่อน่ะต้นตมันบอมีเดี๋ยวนี้ใยญ่บัวอ้าวอ้าวอ้าวอาตั้งแต่กี่แต่ก่อนมึงกับข้าวายั่งอยู่อันใบเบี้ยเผาผี่นาะมันยั่งอยู่มันยั่งตะซื่อมันเอต้นตัวมันอยู่ธนาคารฝุ่นอยู่ธนาค่านฝุ่นใบมันอยู่ธนาค่ารพุ่นเดี๋ยนี้อันอีแผงสีเอ้ยเน่ยยังอันนี้โพูดมึงสวกอะดอกมหาขวงหอดเอื่อยพี่เนาะ อันจังแมนมึงบอดีเบี้ยเผาผีอีเม่มีโจบกลัวมึงก็เงียนมาให้หลอเนาะมาสั่งส่วพผกระดอกกระเดียดเถี่ยเอ๊ยบัวขันสู่เมาจังสี่น่ะแสดงว่าสู่กับผัวสู่ภาคกันต้มตุนตัวกูสันติอีเพผงแรกจะเสกขี้ศีอ่านไปหั่นถอยเอ๊ยบัวไปไปยืมเงินเกตมืนน้ำเจ้ามากเพื่อมามาเฮ็ดบุญหาอีเม่ คั up, ial, นคอยสีบอกว่าคอยเอาใบเบี้ยเผาปีไปจำน้องเจ้วเสดสันยืมเหลือขันยืมซันกับว่าใดโกงสันจหาไสคืนอยู่ส่วนใบเบี้ยเผาปีเมีเพิ่นแบงเพิ่นปันคอยเป็นผู้ครอบผู้คล้องคอยเป็นผู้เลี้ยงผู้เกี่ยวเล้าเรากับตายอยู่เห็นอยู่สานสันเล้ากับอบกับแบงให้่สันแล้วมันที่เป็นยังกระดกกะเดีแเถื่อเ้ยบัวเจ้ามคือสิงยากสิสารเช่นอะไรอยขอซ้มนี่เจ้ากับ่ได้มาสร้างโพดกะดกกระเดียเเจ้าหน่ะแห้งขาดก็คอยด้วยสบอกไห้ด้วยเย้ยบัวเด้อคักอีหยังคักขันแล้ว เจ้าได้ลูกได้บัวเจ้าก็ไปตายอยู่น้าปูน้ำงาเจ้าปวดตัวเจ้าก็ไปเลี้ยงปูเลี้ยงงาปวดตัวงามอีแม่เก็บเป็นเอ็นป่วยเขาลงไวบากะกูนี่เจากระกูนี่กะกนี่เไปเฝ้าอยู่พูดยวหัอันมึงูจ่อยองแหงตัวมึงูจีหยังจักหยังบ่หูจักหยังยังอีแม่เราตอมใจตาย้อนรูดีคือมึงนี่แล้วอตเจ้มึงจะไปหาปลาดันตลาดันเมียงไปเอีบัวเด้อ ขั้นกูบ่าดีเพื่สิบอดูน้ำกูเฮ็ดหยังเพ่กระาเะากระแจตายมันตัวมาสร้างบ่อสังว่ากระดอกเรเมึงอยากได้หลายจีบวัว <c oughs> อยากได้แล้วอยากแ้งมันปะเอออยากได้แห้งกูสบอกมึงได้อีบัวบอกยังบ <c oughs> อ, อกมึงเอาหมายสารนะฟ้องกูเลยมามาฟ้องกูเลยอีบัวมอยางได้ มาเลยมาสมาทากูคัดปนันเทไม่ได้ท่าอ่ะบวกมสั่งประมาทมากคุณกูคักปนันเทไม่ได้ประมาทมาคุณกูว่าอน้ำหนักกัแล้วหัวถ้ามึงนี่ติสีเอาเงินใส่มาสู่คดีกับกูนะมึงคุยกับว่าการคือโลกขึ้นศาลมาเสียเงินคำกล่าวมันเสียเมไปันไหนอีจอนจอกมันเสายมาไรปันไหนสามแสที่แสแสที่แสเฮี้ยนกูกะมีเด้อกบได้ย่านเด้ออีบวัวเด้อกบได้ย่านเด้อขั้นวาทีไฮทีน้ามึงก็ไปจำนองจำน้าเ อันที่เงี้ยตั้มนีตที่มึงิมาขายสู่กดีสู่ตะไลกระปุ่นเปิดป้นพรใช้มึงรวยพูเดี๋ยวพูเรวยูเดียวรวยูเดียวแต่มาสังโสังกัไอ้อีทึ้นถึกอีปึกอีหนาอีบเห็นอกเห็นใจน้องอนมาสังเป็เอาเลยมาเลยมึงฟังว่ามงเยแม่ยังันมึงเบาจังสั้นมึงกะลวังตัวให้มันดีเด้อกูบไราวังดอกกูบว่าสิฟองมึงอย่างเดียวเด้อสียจังกูเสียกูสีสาบแทงแงเน็ให้มึงลุมให้มึงหลุ ใช่อีบัวเสืมึงสาบมึงแซ่บเลอืปอปันใหว่ามันดีมันงานน่ะให้กูกิรีดายมาวัดมึงสาดมาดูมึงแซ่มาดู กูบเยยันนเรี่ยงสาบเล่ยงแซงเด้อกูยานตู้ปืนได้อีบัวนักกูสิบอกเอยเด้อมึงสาบมันต้องมึงแซงมันสแซงมาจังไหนอันนี้อีแพงสีเอ้ยเ้กูดีละอีเพ่งอันพดมึงส่วกระดอกบยันยอนฮอตกัเบี้น้อมามสาธุเด้อมึงต้องม้าวกูดอกมึงแพู้่ใบไบน้กูน้มึงมึงจะเวน่ามันตงผิดผงเวนไปทั้งขวัญทั้งใบอีผุนกูโน้หาคำสาบคำแสงพูดนมามึงมามึงรู้สี้าจากไหนอีบัวฮสาธุเด้อให้มึงมีแนวเป็นยามีวันจะ ให้มึงหมดให้มึงใหม่ให้มึงกีบหายไม่วงเดอให้มึงไอ้คุมไอ้ควงอดปมีสินจิตุ้มห่อหุ่มของเจ้าของพุนเดือขั้นบ่ามึงหัวมึงไปนอกไปหน้ากรให้เขานอกอึกนอกยุดเจ้านียมึงขาดยังทอดงลูกอดให้มึงลมมึงจมหัวมึงน่ให้นีเนี่ยหลวงเป็นรอยีเนี่ยหน่อยเป็นพันผุนเดือให้เขาต้มเขาตัวมึงเดอขั้นว่าลูกไส้มึงกระอให้ขี้มอดไสไปต่าเสาไฟป้าให้ขาหักให้แขนหัก ให้ขอเถอยจะหาเมื่อข้นเมื่อเกินใช่ไหมมื่อเกิดบ้านเกิเมื่อฝนเห้ือบัวบัวเออหายเมึงได้ขอบ้านท้าเมื่อฝนเสนมาสังพวดสั่งพูดเถอะเมื่ึงมื่เมื่มืเปลี่ยงคอสาบหอดเสียงไปอดลูกอดผัวเสียงแม่ไม่เบิแล้วมือก็ว่าสาบกูผู้เดียวเสียงกูผู้เดียวเองแม่ม่เบิ่นทน่แล้วมาสั่งพวดทางโพูดหถอ มึงเป็นย่กูถั Eat, ahead, ahead, ่วมึงเป็นแย่กูตัวมึงกล้าสาบกล้างกูปดด้านตีบัวตตงพแท้กูเห็นใจมึงแล้วเห็นใจมึงแล้วอีบักูเห็นใจมึงแล้วเห็นใจมึงแล้วตายเลยมึงมาเสกสิบาเปลี่ยนผัวเปลี่ยนพี่กูตัวยันหัวกันออกมาตถั่วกูมาคืนแมึงสิก้าสาบกล้าเสียงกูปดีอบัว ให้เห็นยังไหมกุลยาใจกุลยใจวมาสั่งพดสั่งพดมาสั่งสัวซาำหน้ามาก่อนข้นังแค่กูเห็นใจมึงแล้วเห็นใจมึงเลยวสั่งพดตายแท่นไป่ทับเห็นรูแล้วรูรอดแท้ขี้ขาเขานี่แหงษ์เฮ้ยหลังปึงเอ้ยแต่ตกูเกิดได้แงมากูก็มาเคยเห็นมาเหยียที่ใจลหใจดำปนนี้ กูกะว่าสิโกกมือนกูก็จะหาเส่มืออยู่เหมือนกะไปบอกนออสิาเียมห้ัีเป่นังสมึงมาแมียน่กูมึงเมนกูอบัวยมเมยนกูตัดขาดกันเลยกูกับมึงเลยอิบัวตัดขาดจากพีจากนองกันเลยเยสวสวสสาใจจืดจดำมัสิมันเมนห่กูมาตัวนี้เมนใหญ่กูเอบัวเด้อ แม่มึงตายกูที่ไปเผาผีเมืองกู่ไปเผาผีมึงอีบัวอีแม่ตั้งซื้อมึงเนอบัวบัวบานดอกบัวน่ะกับบัว้ายเนี่ยมึงก็ขึ้นก็เกินด้วยบัวบัวจังมึงบัว้าอย่างกับบขึ้นบอกเกินเด้ออีบัวโคกอีบัวนาอีบัวแบอีบัวบคุณยมเออยอนมโหเขาบีบขันสายสัมพันธ์ก็เลยเปื่อยระวางนองและเอื่อยเลยโทิมบะเบิงกัน สินสวาดขาดสะบันหันหลังใส่ไปค้นแจะปูนึงไปชุมแพะปูนึงไปผู้ผามานทั้งบัวบานผู้เป็นเอือยออกปากแซงนองแพ่งสีขีดกีเดินท่อลนี่บองหวมเที่ยวทั้งรวมฟ้องยืนควมไม่สารสีเบี้ยเผาปีเลื่ยยุงใหญ่ไม่ลูกล่ามพ่อป่านไฟสุมกองเฟืองยามนาแหลงลดล่ามเรื่อยอยู่บอดถอยทั้งแพ่งสีนองผู้นอยปัดแทงปืนบบาฟั่งไผแม่นผู้าดมาตักเตือนกับเบาฟั่งเสียงคาน โซเอาเฮื่นโซเอาบานไปจำน่องฟองสู่ผีในที่สุดก็เลยแพ้คดีเสียที่น้าผ้าทีบานไปน้า พ, พร้อมปลอมบอยัง่งก็เลยจุกจุดสั่งมั่งบ่เหลือยัง่งหอดหมองอยู่มดหอดพวกหมืดหอดหมูหมืดหอดเอื่อยมืดหอดไายย่อนคว่ำรายยิงพยองบ่มี่ผีบ่มี่นองไปของเกี้ยวเที่ยวถามในีน่ยคน้นซ้ำค้นผลานแม่นปุ๋ดสิปใบไก เบียเผาผีมั่นเผาใหม่คงเหลื อ, อยั่งตั้งแต่เท้าก็เลืนนางกอดเขาเอามืองุ่มกางอนโดนมองห้องก้นกับบ่อมีพี่นองเอ้ยบัดนี้หันมาฟังเบิ่งกําผี่ผู้เอ่ยพีน่นั่งบัวบานรายการที่ผ่านมาได้ล่วงเลืยสองปีแลว้วยั่งเป็นปมหรือเป็นแป้วจังใดน้อลองเบ อ, เอาเบิ่งพวกคุณโยมเพื่นอยากหูโอดมาเบาสู้เพื่นฟังเบิ่งกันดูบัวบาน เอาหลักคุณยมเอื้อเพื่อนว่ามโมโหนี่ผ้าให้โตตกต่ำถืกดังคำของพระพุทธเจ้าเพื่อนตัดใบเมนอีหลีแต่ปางบุญหอดมือนี่ได้สองปีหม่มกก่ผ่านใจของนา่งบัวบานมีแต่อุกอังเอาละทุ่มเ้ามนมองแมนชนะคดีฟ้องได้คล่องทีเบียเผาผีกะบอมีความสุบทุกใจเป็นอัดอันอายคำพันผีใช้คอยก็เลยพลอยมาลมป่วย ถึงางข้าวสุ้ยข้อเลีนเขียนมิตรเรียนเข่ามาลุบเราสิ่งบอดีจังวันมาในมือนีมายำซองมองดูอาการแต่ออกจากโรงพยาบาลเปลี่ยนจังใดเจ้าใข่บ่อบัวบานนั่งเลยถามสออค้าชิงกายของไอ้บ่าวเปลียนจังไดก็หายฝ่าวจ๋าเมาสุนองฟังเปลียนจังไดน้อไอ้จิตเอ้ยก็ได้ยินเตะข่าวแตะข้าวว่าเจ้าเข่าโรงพยาบาลหาหมดหาหมอนอนโรงพยาบาลหลายมือหลายเ็นออกมาอยู่บ้านอยู่ห่างเลว เน่เจ้ากินเข่ากินน้ําได้หมอเป็นแต่ใหญ่แต่เนี่ยน้ำหนองน้ำลุงบ่อไอทีดหมอเขาบอกว่าเป็นโรคอย่างก่อไอทิดบัวบานเอยหมอเขาบอกว่าไอายควาดันสูงพุ่งขึ้นใหญ่ทั้งเป็นโรคหัวใจทั้งเบวบันก็เพิ่มขึ้นจ้าสิฝืนหรือว่าจมดอก เมื่อเสารนี้สดเข่าต้มพี่นั่งโตเป็นข้นแต่งทรงไม่เหือมีแฮ้งก็อเมื่อว้านอยู่ดอกลาบอเป็นหายซำเมื่อบ้านนี่ดอกเมื่อนี้โอ้กินเข่ากินน้ำพี่นั่งเป็นปูหาผููเตีงกับจินได้อยู่ดอกปลาเทียทีแม่ขั้นไอขั้นไส่บาดจินเข่ากินน้าได้จังตันแล้วก็ะมายถึงว่าตีใหญ่ตีนื้น้านองนํานองน้อยจิบเนาบุญที่ยายส่างแต่ปางได้กะเลวแต้อื้อจงมาบันโดนบันดานซอยให้เศ้าได้ป่วยเป็น ขั้นบาจังสันก็ให้เจ้าอยู่ดีมีแห้งแข็งแร้งน้านองน้ำลงเสดอไอทีสซาตัเป็นดังขําพป้อนปากที่นองปัดถนานันทอดลาเอ้ยไปจังไดไม่จังไดล่ำมือนีคือจังส่งต่างๆมหาไอหาซ่ายค้ั้งนี้ผัดมีกระเป๋าเสื้อผ่าม้าน้ำหรือว่ามีดทุลร์สิเลยไปร้างขึ้นทั้งอื่นอีกยุติไอทีค่อยกัตังบกตังใจกะว่าไอบ่อยู่ดีมีแห้งก็เลยเตรียมเสียผ้ามาพร้อม บอกพ่อกับก็บอกกับดอกไอเทิดข่อยมายามเจ้าตัวข่อยว่าสิมานอนเฝ้าไข่ไก่เจ้าอยู่นี่ะไอเทิดโอ้มายามคนป่วจ้าอาาบัวเอ้ยไอป่วยหลวงหลายนอนโรงพยาบาลเป็นเดือนเดือนฮากก็สิออกมาเจ้าบ้านยูซอง มึงจังใดจังคอยหอก็สิมาเฝ้ากูมึงขับ宝马ต่างดนๆพูนบัวเฮ้ยการยุงการยากเรื่องทางบ้านทั้งเฮือนนั่นแหะไอเทสก็ได้ยินข่าวกับเฝ้ามาจังสีไรไอเทสอันกูก็ได้ยินข่าวอยู่ดอกว่ามึงกับออแพ้งสีเป็นเรื่องเป็นเล่ากันนั่นน่ะหลังจากบุญหาอีเมลของเฮ้าแล้วนั่นน่ะแล้วมันเป็นจังไดเรื่องเล่าของมันมันแล้วกันเราไปบัว ถามเรื้ยงถึงน่องถึงนงเรื่องเล่าที่เกิดขัดขืนระวังสั่นไก่เพ่งตีเถี่ยไอตีสเมีนมันเป็นยังไงมันเลีวกันเราตีว่าเลี่กับเมีนว่าเปลี่กับเมีนอยู่ดอกไอทิสเอาไมาเบาให้สงสัยเธอีอเพ่งสีมันได้ขึ้นเงินเจ็ดเหมือนห่มึงลราตีบอแล้วเอาคือว่าแล้่ยวสนะกันว่าแล้วก็คือไปเลี่อยู่ลงอยู่ศาลบนลายไอตีสนั่นเลีวกูแห้งงงง่ายอย่าบัวเอ้ย มันเป็นยังไงจังว่าไปแล้วอยู่ล่งอยู่สารพูนมาเว่าไปก่วงไปไกลแท้มันเป็นยังไงกันแท้ๆเราบ้าให้กูฟังยังแจงแจงเบื้องก่อนดูบัวไอ้ทิศขั้นสันเบารายละเอียดสู่เจ้าฟังแล้วเจ้าก็จะฟ้าให้ฟ้าดาให้สันเด้อไอทิตมันเป็นยังไงมันพ่อให้พ่อดากันปันนั่นที่เอาเว้าไอ้ทิศเลยหลังจากทําบุญเกลียดเขาหาแม่มันดาเสร็จแล้วบัวบานนั่นไปถามข่าวก่าวเาเรื่องเงินคํามกาแจ้าที่ยืมกันตั้งแต่คราวครั้งนั้น อีแผงสีมันกวาน้องยืมเอือยยืมได้ซำขอบอย่มย่อยกให้ม่วนบาทขึ้นตาจะนกไอทิดเอามันว่าเหรนยญซื้อดอกคว่ำเนม่ยว่าพอมีหลักฐานพยานอะไรมันว่าบ่หายไปไอทีดเอาข้ามันว่าจังสันเมื่อให้จังเดยต่อศาสนาบัวข่านมันเบามันว่าจังสันสันก็เลยทำหาใบเบี้ยเผาผีของอีเมสี่เอาไปเก็บไปกำว้อีแผงสีมันกว่าบ่เหลือบอยยังอีกลายไอทิดมันไปยุใส่มันว่าเอาขืนตนาข่านให้ปัวไปนอกเบิดเดีวว่าสัน เอ้าว่ามี่กูกระด้ยินนํามั่นจุดเดลยวก่อนสิเป็นบุญหาอีแมลของเฮากูกรด้ยินว่ามันแลนนอกให้ผัวอยู่มันกะสิจําเป็นตีมันจังค่อยเอาเข่าธนาคารมั่งว่าจังสั่นไอ้ทีมันก็บอกสรญหาเงินหาข้ามไปไทยเอากันมึงอยากได้มันว่าลจังสั่นไอ้ทีแล้วมึงเอาเงินไปไทยเอาสันตีเอาไปไทยเลยไอ้ทีเอามันเป็นอย่างเอาสิหาเงินหาข้าไปไทยยังไงสันบ่ได้เอาไปจำเนาะ เฮ้ยจ้าไหนเจ้ามาแล้วเจ้าทัวร์กันสนะบว่ามันก็เลท่าให้สันคากว่าบอมมีขึ้นข้าำเจ้วไปไทยไปถอนเอาขันมึงอยากได้อิหีน่ะมึงฟ้องเอาวาันมามันมาจากสี่ไอ้ทมันมาจาสันอิหลีตีฟ้องรองเอาฮารท้าไความมาสูกันโลดภษาันมันมาจนบมีหลักฐานพยานการยืมเสนอไอ้ทเดียนี้อ ไอ้ได้ยินว่าขั้นเรืองมันหอดโลงหอดสารถึงเจ้าถึงน้าแล้วใส่เงินสู่คดีกันเป็นแสนสองแสนพูนแล้วอีแผงสีมันใส่เงินใส่สันมาสู่คดีกับมือหน้าบัวมันกัขายแห้งขายสั้นทิ้นฐานบ้านสองของมันเบิดจนเกลี้ยงจนเสียงพูดแล้วไอ้ทิดเอามาสู่คดีกับสันกระจ่างท่านได้มาสู่กันบุ่นไหวกันอยู่สองปีกลัวๆพูดแล้วไอ้ทิดในที่สุดนั่นอีแผงสีมันก็เป็นคนแพร คดีล่มไปตั้งแต่พุ่นสั่นกับเป็นผูษณะได้ใบเบี้ยเผาผีของอีแม่มาถือมาค้องเท่าเดียวนี้แล้วไอ้ทิดแสดงว่าอีแพงมันขายทีขายเงอนไปสู่คดีครับเมื่อแล้วเงินมันนอยมันก็เลยแพ้คดีเมือหายต๋อมไปตะพุ่นแล้วมันเบิตนเบิตัปนนันตีแพงลจน่มีมองสเิพุ่นแล้วแลน้องมันไปยุ่ส่สนับบัวจักแม่มันแล้วเอาป มึงเห็ดนองเห็ดนุ่งใจังสันอลีตบัวอีแปงสีมันบอมเปนปืนปูไก่เดล่าน้องห้าวตัวน่องมึงตัวมึงเห็ดนองเห็ดนุงในจังได้มึ่เลตัวมันอเห็ดกันจังสิ่งนะซ้ำขาน้องขานุงทั้งดิบฝังทั้งเป็นปุนตัวนานะ อันม่อบอกเคยมีหรืออันเงินเจ็มื่นนั่นนบวอันซ้เงิน็มืนี่ตีมื่อเฮ็ดน้องเฮ็ดนงจิบหายไววอดขนาดนี่น่บัวฮกูสมั่งตับงใจมือเทมันเอาอีย่างม่เฮ็ดอันหัวจีบหัวใจน่ะมาโหดเทียมใจจืดจะดาผิดมนุษย์มนาเท่ตั้งแต่หมูหมากากไก่เพิ่นกรเลี่ยงตัว อันนี้คนแท้ๆน้องของเจ้าของแท้ๆเปี่ยงบ่ให้โอกาสเขาเนี้บ่คามันสีเลียงใหญ่เลียงโตปเนี้ะไอ้เทมันก็เป็ียนน้ามึ่งแล้วก้อนสิคิดสิท้ามีอย่างน่ะคือมาถามกูจะคําแน่อันใดอันได้กะความหลังเกินไลกูสวนสวเนยเห็นกูนี้ในสายตาเลยนสูนนน่ะตาเลียงมันสิไปไกลไปกว้างปะเนี้สักพเห็ต่เอมมันเนี เลี้ยงใจกันมึงกระดองกับพ่อถือต้องปองดองกันนาะบัวเอ้กูถามมึงกระครับเน่ต่อบัวเอ้และมันมึงขัดสวนอี่อย่างกว่าคันบางเฮิรนมึงก็ขึ้นหลังบักไงหัวมึงก็คือจังหาเงินมาจากเมืองนอกใหม่ๆอยู่ลูกเต่ามึงก็คือจังเลี้ยนจบกันเบิดแล้วและมึงอึดอยากเนี่ยไหขัดสวนแนี่ยไหมึงก็จะมาเห็นน่องเห็นนูนได้ขนาดนี้มันก็ดูถูกประมาทานพุ่นตอนนี้ลอะมันเป็นน่องมึงตัวมึงถามมันเห็นหนังฮะมึงเกิดก่อนมันตัวมึงคือบ่ลลูนมันเนี้ย ฮอบ่มีหัวคิดหัวหาเลยจีกินเน็ดหยั่งเข้าหน่ะกินเข่ากระเซียเข่าก็จินแล้วบ่มีหัวคิดหัวหาหน่ะขยัมาสเลยาไนนองของมึงคาขาดด้นองของมึงคาขา้นั่นะมียางที่ไดละบวนาตรอตดรแต่มันกรดีขาดอดมันกดีแล้วมันเห็ดนอเฮ็ดนูได้ขนาดที่มันกระดีเลยนะมันมียางที่ไดเอ๊ะบันเเสียงของพนบ่มีดอกนั่นะมันซิวฟ้องร้องจมาจินหายวายบอดขนาดนีนั่นมีแต่สูสองู่2คนในแลว เฮ็ดอีอยังน้ไปบุกคยได้ย่องได้2จักเตอหรอกมิตรแนวขายหนามิตรเฮ็ดเห็นน้บ้านเมืองเป็นเบาพื้นท่านขวนญขันว่าเอาบุญหาเมีของเจ้าของกับมัตีมาข่ากันเซกันเซงั้นเจ้าของไงกูอยากอายค้นกว้างแล้วบุญศีลกินท่านเราก็บม้าฟองร้องกันจนว่าจินหายวายวอดขนาดนี้กูสิราบได้จังไหนฮะเอาขันจังสั้นเอาจังสี่จะบวเอ้ยขันมึงเฮ็ดรีแพ่งเสียได้ขนาดนี้กูกะยอมรับว่ได้คือการันลต์ขันจังสั้นมึงกับกูขาดคว่ำเป็นพี่เป็นน้องกันตงแต่เมื่อนี่เป็นต้นไป มึงตมมันนับหนาถือแต่ว่าคุณเป็นไอ้มึงหรอกคุณ่อยากได้ดอกน้องตัววคือมึงนั่นใจจือใจดำใจเปียใจม่มันสัวฟากหมาผุ่นตัวมึงน่น่ะสันกะว่าเจ้าเป็นไอ้เป็นผอผู้นุงตัวไอ้เทียดไอ้เก็บไอ้ป่วยจังบากหนาบากตาบักหอดบานหอดเพี้นตันนี้เจ้าเสมืไห่สันนี้คือจังหมูจังหมาจังเห้เอ้ามันก็สมว้สจำนั่นตัวอันมึงนั่นน่ะมึงบ่อยากวีพีมี่น้องตัวเห้จังเสี เฮ็ดจ้าซี่อยากยู่ผู้เดียวอันไหอันไหกะอยากกินผู้เดียวอยากอยากผู้เดียวท่องใสกะกินเป็นผู้เดียวน่องนุ่งมันบ่มิท้องมิใส่กินบ่เป็นอยากบ่เป็นไปซาบบัวเส่ไปซาไปซาหนีจากเยี่ยนจากสันกูไปซารือมึ่งมีคว่ำใดในอกในใจมึงเฮ็ดน่องเฮ็ดนุ่งกิบหายไม่ว่าได้ขนาดนี้มึงสาใจคลาหลายแมนบอเอามึงว่าออกมามึงดูมึงสายหรอละภาคออกมามึงดูว่ามึงคิดจ้าใดว่าเจ้าใดบัวว่าวลาบปาง Come, come, come, come, come, come, come, come, come, c o e come, come, come, come, come, c o e come, come, c come, c o o m e c e c c o o m e e come, c o o m e c e c c o o m e e come, c o m come, come, come, come, come, come, c o m o o e o o e m m e e o e c o e o บ่เบงบ่ยงกันผู้ใดสิมาเบืองไม่เงียมึงสั่งบ่ดเบองวนี้วลาพอ้พี่บวบานนางตาลบเหือดนาพาตัน มีสามคนพี่น้องหนึ่งมีสามคนพี่น้องหนึ่งบัวเอ้ยน้วพเออละเพียงสวามีหลายคนขึ้นไม่ใช่ทับสูสิบกครบหัวกันจินมขึ้นหมูขึ้นหมานีตีและบัวบานนางน้องนี่บอดอยากเ่า กเกากะคว้อ้าวัดต่เปียนหมาไปไหนเนาอบัลาอีวเอ้ยพี่คอยเอาสาฟังใจเจ็บเ้าใส่เอ็นมันโดนเลวลเอ็นในใจเสพเปร้วน้องกะทาม ละหายาฮัสใจให้มันลบเรือนไปมือละเล็ดมือละหน่อยมองมันพ่อยเป็นดังดังดวงดอกและคอยมานิีดบังกวางแรงทวนเลื่องถึงความหลังเป็นสัง กันตัวสวปันใดกันเล้วและพียงเพียงแต่ใจดีแต่ยืมไข่กันตาพันตั้งแต่ปาก แล ôi chạy hát chẳng quan đoạn là là câu đó câu ก ặ n g là là khoác khoác sườn chẳng pha thăng lủng, bơi sang bìa miền cấm là là bỏ bỏ bạc bỏ khoác khoác chẳng được nia to ล á m là nơi c t là lời b à lâu là b i quậy quậy cả อาบุกกะเลยอยู Although, ่ไม okay. ่ตาวันยังและไหนที่สุดเลยเกิดจริงย้อนความจริงอเจ้าดอกเพื่อเลยเมื่อเงินเมื่อทองพังสับกคุณ และอยาใจกำคอยดูอายันขอโทษเจ้าลายลายทีน้องความที่้องและพี่เอพี่ต้อนตนี เจ้าบอตต้องเตี้ยววงตั้งใจให้กินข้าวน้าข้าวน้ากินยาบ้านให้น้ำกันดีดีที่ไม่เนยเพ้งสุ่มคือกันและพี่เออพี่อยเหนยังนับถือเจ้าเขาลู่บอดจังละละละยาชิดใจยังเด้อจงตั้งใจให้มัย และน้องป่าใจ เจ้าเห็นบอมาอยู่บอบ้านป่าเดืงงามพรสวรรค์พรชัยขั้นเห็นกระเลียงไว้เนเธอเออบ่เห็นซ้ำเตียวจังสิละเนาะขั้นคนจิบหายไปแล้วคนถูกแล้วเพินวาถูกเพินบวาดีมี่เพินจังบาพี่นองลุงป่าจังบาหลานเนาะนิท่านเื่องเบียรเผาผีก็เลยจบล่งภากหนึ่งเนาะคุณยายเนาะ มีต่อภากสองเดอ้อหมายความว่านั่งแพ่งสีสิบไปจังไดเสด้กลับมหาหักมาแพ่งกันอีกบอั บ, อบพีกับนองทรงผัวไปเมืองนอกิได้เงินบอสิหลุยหนีหลุยศิลปบ อ, อลูกไา้เดียวในเลีย น, นสิเล่นจบม้อสามบอหรือสิบเป็นไปตามคำสาบคำแสงของนั่งบวบาน ก้ายังติดตามภาคสองเนาะพ่อยังไม่ใไงเนาะอ้านิท่านเรืองเบียบเผาผีกรจบลงโดยสมบูรณ์แบบในภาคที่หนึ่งนี่ละจากหูจักว่านิท่านต่อไปสิเป็นไปจังไดข้าจังฟังต่อภาคสองเนาะสําหรับการชี้แจงแสดงของอัตมาภาพทั้งสมรูปสมองค์ในนิท่านเรืองเบียบเผาผีอาจมีความเบาความจ่าประมวลกับมีเนาะคําว่าก꾸คําว่าเมือง แต่ว่าคนโบล้านเปิ้ลเบากันยังสี่อิหลีเดนเนาะคุณยายเนาะคนโบล้านคั้นพียกันนองกันเปิ้ลเบากันมีตั้งแต่ใส่คำ่ากรคำ่าเมืองขั้นฟังสมเนีอาจบมวนจังใดกะขออภัยเนาะก็คิดว่าคุณพ่อคุณแม่ค้งสิวจากแยกแยะในการฟังเทศฟังธรรมอยู่ดอกเนาะก็ค้งสีเลือกเอาแต่ส่วนที่มันดีมันงามส่วนบดีบังามกะทิมไปเนาะส่วนว่าบุญกุศลที่ทั้งขณะเจ้าภาพ ได้บำเพ็ญขึ้นมาตั้งแต่ตอนตอนจนกระทามเมื่อนีวันนี้ขอส่วนบุญส่วนกุศลอันนี้จงได้ไปหอดไปถึงดวงจิตวิญญาณของคุณแม่ทับเดออสายจันทะข้ามหักว่าเพลินตกถูกก็คอยเพลินผลจากถูกซะขั้นถึงสุขอยู่แลว้วก็อขอให้สุขยิ่งสุขยิ่งกันไปเดอ้ออีเมเดอแล้วก็มิหน่ายท่องใสาสายจันทะข้ามด้วยก็ขอให้มีส่วนรวมในการดับส่วนกุศล น, นี้นาเดอ อาบันนี่กับบัณฑิตไทยก่อนเสีลมราจากก็มีการเอื้นเชิญวิญญาณปุลพูนตายมารับเอาส่วนบุญส่วนกุศลมา่กินข้าวกินปลาดังนั้นขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนอ้วนเฮียญาติพี่น้องลูกหลานของคุณแม่ทับของเฮาเด้อยศัยแน่เขามาเด้อบันเน่เด้อมองเซวเดียวงามมองเสียอะไรอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปหาอีเมลของเฮาตัดลอดทางญาติสายโลคเหตุของเฮานั่นละ มีอย่างแนห้าแต่งใบเครื่องกินของท่านนอกจากจตุปัจจัยแล้วมีศาสตร์บอมีหมอนบ อ, อขั้นมีก็เอามา